ดเินพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาทมตอบถามคำถามซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสงสัรรยไว้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งการเล่นนะธรรมศาคกัจจะใหธรร ม, มังคำลงังตมรม การสนทน า, าทมเป็นตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลก็คือประโยชน์ทางจิตใจประโยชน์ุขทางจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้เพิ่มมีความสุขทางด้านจิตใจมากขึ้นวันนี้ท่านแรกที่เข้ามาก่อนก็คุคณหมอพิเชย อ, อ, าอาจารย์คุณหมอกรรมนวมัสการท่าจา์ครับ ความเมตตาป้าจาย์ได้อธิบายจุดหมายปลายทางของชีวิตครับก็จุดหมายปลายทา ง, งชีวิตมันก็มีสองสองส่วนในการทางกายกับทางใจทางใจทางร่างกายก็เหมือนกันทุกคนก็คือสู่ความแก่เจ็บ ต, ตายไม่มีใครเว้นไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าหรือคุณตัวชนอย่างพวกเรานี่ก ปทางเดียวมันสลับน่างกายร่างกายนี้ไม่มีข้อยกเว้นปทางเดียวมันหมดเพื่อไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายส่วนทางจิตใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของจิตใจว่าจะเลือกปทางไหนก็มีสางทางใหญ่ๆทางสู่การเวียนว่ายตายเกิด ท, ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่ว่า คือการเป็นว่าใจเกิดในวัฏฏะสงสารหรือทางไปสู่การสิ้นสุดของการเป็นว่าใจเกิดคือส่วรมากผลไม่ผ่านอันนี้ก็คือจุดหมายปลายทางของของจิตใจที่ผู้ที่จิตใจของแต่ละท่านสามารถเลือกเอาทิศทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือรู้หรือไม่เท่านั้นเอง เราคนเกิดมายังไม่รู้เลยว่าจิตใจเราไปไหนต่อมีจิตใจหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าโรคนี้ก็เป็นโค้งเว้นบ่อยไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้แต่ถ้าเป็นโรกที่มีความศรัทธาความเชื่อว่าจิตใจนั้นไม่ได้เป็นร่างกายมันคนละสมุนกันร่างกายตายต่จิตใจไม่ได้ตายเนร่างกาย จิตใจถ้ายังมีกิเลสมีความโลภ ก, กอดนมก็จะไปเหนื่อยเมื่อตายเกิดตามบุญตามกรรมที่ได้กระทําไว้แต่ถ้าแต่ถ้าได้มีโอกาสได้ได้พบกับข้อธํา 3, คําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีจากป้าที่รสมสาวกของพระพุทธเจ้าก็นี้ก็จะได้เรียนรู้ว่าใจของเรานี้เราสามารถที่จะ ดึงแดะออกจากการเรียนว่าถ่ายเกิดได้ให้ไปสู่มรรคผลที่ผ่านได้แต่ต้องมีเงื่อนไขโดยต้องปฏิบัติทำสามประการคือทานสีงภาวนาสำหรับผู้ที่ยังเป็นผู้ของเรือนยังเพราะยังมีทรัพย์ยังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าเป็นนัก บ, บวชแล้วก็สิงสมาธิ ป, ปัญญา ซึ่งเป็นทางมันเดียวกันเป็น แ, แต่ว่าเป็นนักบวชก็ไม่มีเรื่องทานเข้ามากเกี่ยวข้องเพราะนักบวชไม่มีทรัพย์สมบัติเข้ากองเือนทองได้สละทรัพย์ไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ศีลกับภาวนาภาวนาก็คือสมาธิและปัญญาถ้าสามารถปฏิบัติศีลได้บริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต สมาธิสมองได้ร้อยเปอร์เซ็ปัญญาเห็นไตรักเห็นนรียรสรรัจสีงได้ร้อเปร์ได้ตลอดเวลาก็สามารถที่จะตัดอิเลตันหาตัวที่ค่อยหนึ่งใช้จิตใจไปวินว่ายตายเกิดได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปในวัฏสงสารในสังสารวัฏก็อยู่ที่นิพพาน ที่อยู่ของผู้ที่สิ้นเกลเลนแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาจารย์ตถาวกถหมายนี่คือเส้นทางของชีวิตมีสองเส้นทางเพราะว่าชีวิตเรามีสองส่วนนาำกายกับ จ, จิตใจเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระธรรมกาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้ามีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะได้ ได้มีโอกาสได้ไปสู่การสิ้นสุดของการเป็นว่าตายเกิดได้แต่ถ้าไม่มีไม่ได้มามีโอกาสได้สัมผัสกับพระธรรมคำสอนถึงแม้จะมาเกิดในเมืองพุทธกระตานบางคนก็ไม่เอาเลยเรื่องาศาสนาถือว่าเป็นเรื่องมองลายก็เป็นคนที่ขัดแข้งขัดขาตัวเอง เป็นคนที่ปิดทางอันเลื่อันประเสริฐของตัวเองไมาให้ตัวเองได้เดินไปในทางนี้เรื่องอยากขาดศรัทธาเังนั้สิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะเข้าสู่พระธรรมประเสริฐได้ก็ต้องมีศรัทธาในพระพุทธธรรมผสมวิธีที่จะทําให้เกิดศรัทธาก็คือศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของภาษาล้มบางรูปเช่นเขา ในยุคปัจจุบันมีตัวอย่างของภาษาโลจัมมี่อยู่เพื่อจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้านี้ไม่ใช่เป็นของอร้ายประโยชน์ไม่เป็นโมคะเ ป, เป็นเหตุเป็นผลและผลที่จะได้ก็เป็นผลนั้เลอนอันประเสริฐที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถามาเปรียบเทียบได้ถ้าต้องมีศรัทธานี้ให้เกิดให้ได้ บางท่าคว่าจะเกิดศรัทธาจะต้องไปที่อินเดียอันนี้ก็มีส่วนถ้าไปได้อยากจะไปถ้ายังไม่สนกไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าไม่จริงหรือเปล่าก็อาจจะไปดูสถานที่ประสูานที่ตัดเชื้สถานที่แสดงธรรมการแสดงสถานที่สิ้นบุญไปสู่พระนิพพานอย่างถาวร อันนี้ไปแล้วกาจะเกิดศรัท ธ, ธาความย่ำสายมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะในคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าการน้อมนํามาไปปฏิบัติแต่ถ้ามีศรัท ธ, ธาอยู่แล้วกําลังปฏิบัติอยู่นะไม่สงสัยอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปยุคยุคก่อนหน้าพวกเรานี้การเดินทางปเป็นเยี่ยมยากต้องคนมีมีกําลังเงินกําลังทรัพย์ถึงเยี่ยถึงจไปได้ได แต่สมัยนี้การการเดินทางมัสดมราคาก็ไม่แพงคนทั่วไปก็สามารถไปได้อันนี้สมัยก่อนครูบาอาจารย์ไม่มีรูปองใทิ้งท่านไปกันแต่ท่านก็ไม่มี ท, มมท่านก็มีไม่มีความสงสัยลังเลในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านก็เชื่อเพอะถูก ส, สุขเสียมสอนมาตั้งแต่เกิดส่วนใหญ่ท่านจะเป็นคนที่เกิดใน ครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธพอแม่เขารลกแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามคาสอนอย่านสอนให้ลูกใส่บาตสอนให้ลูกรักษาศีลเมื่อวัยอันคนก็ให้ปวดให้ศึกษาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีการจาเป็นจะต้องไปอินเดียเพราะมันมีความเชื่ออยู่ในใจอยู่แล้วอันนี้ก็คือเรื่องของ เส้นทางของชีวิตของของพวกเราทุกคนทางร่างกายก็ไปทางเดียวกันมือไปสู่สาราวัตรหรือไปสู่สุสานในเชงแมงกายประมาณนี้เขาไปเยี่ยมทางร่างกายของคนทุกคนไปสุสานไปสาราวัตไปเมไม่มีทางอื่นไปส่วนจิตใจนี้มีทางเลือกสองทางไปเวียนว่ายตายเกิดหรือไปสู่ มักผลที่ผ่านนั่นก็อยู่หรื ว, ว่ามีศรัทธาในยพระพุทธก็ทำก็สมงนม้ถ้ามีก็จะมีโอกาสได้ไปลายทางมักผลที่ผ่านได้แต่ความศรัทธาอย่างเดียวก็ยังไม่พอศรัทธาแล้วก็ต้องมีความมุ่ง ม, มั่นมีามการทูเทมีทิบาทสีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสา ต่อการศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วภายในเจ็ดวันเจเดือนและเจ็ดปีก็ต้องถึงอย่างแน่นอนนี่คือก็อสรุปออกมาปากตามที่หมอได้ถามไว้มีอะไรสงสัยก็ถามเพิ่มเติมได้ไม่มีแล้วครับขอบพระคุณครับอาจารย์มหมอคิดว่าไปได้ไหม เดือนวัเดืน 7, เดือนเจ็ดปีไม่น่านจะยากนะถ้าเรียนหมอได้ทำไมเรียนมุตถาศาสน า, ษาก็เป็นเรื่องจิตแพทย์จิตศาสตร์อยู่นะในความตั้งใจมีความตั้งใจในในการที่จะปฏิบัติศึกษาครับอาจารย์<ม>แต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคําเป็นคารวะอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ไม่ไม่ไม่มีไม่ไ ม, ม, มขอให้มีเวลาท่านนะแล้วให้ปฏิบัติ ถ้มีเวลาก็ปฏิบัติพิจารณากายให้เ็ว่ามันเป็นเพียงแค่ดินน้าลมไปนั่นเองมันไม่ใช่ตัวเราของเราเวท น, นาก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากความสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสกับร่างกายทางตาหจมูกนิ้วกายแล้วเกิดเวท น, นาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เราก็กลุ้มบังคับไม่ได้ก็ให้หันอยู่กับมันไปหันอยู่กับสุขเราไม่ต้องหันอยู่กับี้ด ไม่สุขไม่ทุกข์เรก็อยู่ได้ตัวเดยียวที่เรายังอยู่กัไม่ไม่ได้เคือทุกนั่นเอฝึกสติสมาธิให้มากทําใจให้รูเปเหตุการและพิจารณาว่าเวทนาเป็นอนัตตาเป็นภาวะปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ต้องอยู่กับมันได้ท่านนั้นเองร่างกายก็ต้องปล่อยให้มันตายเพราะมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็น เป็นบ่าวเราเป็นเจ้านายเราใช้ร่างกายทําอะไรต่างๆวันถึงร่างกายก็ต้องขอลาวอกจากงา น, นเป็นลูกจ้างเราเราเป็นเจ้านด้เขเราเป็นนายจ้างครับำนั้นเองนายจ้างไม่ได้เป็นอะไรเหมือกับร่างกายเป็นแท้มันน่าจะได้นะร่างกายก็เข้าใจอยู่แต็ที่แล้วน้องนําปปฏิบัติครับอาจารย์ แต่ที่เป็นที่จะสู้ให้ได้ก็คือทุกขเวทนานี้งนั้เวลาหน้ามันเจ็บก็อย่าเพิ่งลพยายามใช้พุทโธพุทโธพุทโธอะไรทแล้วบอกตัวเว่ามันต้องอยู่กับมันก็หนีมันเดี๋ยวมันก็ตามมาอยู่านี้ขยับตอนนี้เดี๋ยวมันก็ตั้งใหม่มันก็มาใหม่เดี๋ยวเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมาบวชทำมุนฝูดทำได้จะขยับยังไงมันก็ไม่หาย อั น, นั้นนะ่ะต้องต้องเจอมันต้องผ่านเงนประมาณให้ได้ตอนรับมันอย่าไปนำเกณฑ์มันคยนะินดี <โร S 1> ต้ารรับเนะสมอยินดีตานรับเสมอทุกขเวทนาความเจ็บความเจ็บความหิวลองอดข้าวหรือว่ามันดูนะอ่อนนุ่ยเย็นก่อนถ้าไม่เคยอ่อนนุ่ยเย็นกอ่อนน่ยเย็นก่อนเวลาหิวข้าววันนี้ก็ทุกขเวทนาที่มันมา ที่เราต้องห้างไปได้เปิไปเดี๋ยวก็ได้เองเขาไม่ย<ร>ากลองท ำ, นะำปฏิบัติกรรนะลองปฏิบัติพระอาจารย์โอเคนะครับไปที่ท่านต่อไปคุณสาธกาจากใชน่าเออส่งส่งว้องาใหม่แล้วเหรู้สึกก่อนจะมาถอยวม่าสองวันก่อนคาผ้าจา์สั่งจาก ไล่อะค่ะเพระเอิญมีสองส่ยพันุก็เลยตั่งไปให้พระจาระวัลุ่มลูกวัเลิ่มเลยะเออพระจาร์ตาเดี๋ยววันศุกร์ไปภาวนาค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่กักก็จะไปฟังธรรมค่ะกับวันอาทิตย์กับวันพุธค่ะวันพรัะค่ะโอเคค่ะมา ไปทำข้อสอบให้ได้นะความตายกับควเจ็บของงานนี้ค่ะอ า, าจารย์ใช่ค่ะมาฝ<า>ันทำตาเดี๋ยวต้องเจอข้อสอบสองข้อนี้นเะวทนาเจอเจอแล้วอาจารยา์ต้องอยู่<อ>ประมานให้ได้ต้องไม่ทุกข์กับมันมั น, ม, นมันไม่ไม่อยู่ได้ค่ะไม่ไม่ได้วุ่นวายาไม่ทรมานนะ ค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดสุดอย่างนั้นนะคะอาจารย์มันอาจจะมีมากกว่า น, นี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ข>อันนี้ยังไม่มันก็เหมือนกันอาจจะสดไม่สดมันก็มันก็แบบเดียวกันวิธีสู้มันก็สู้แบบเดียวกันค่ะสูเด้ออเค่าสู้ไสติในปัญญาค่ะก็ก็พยายามเพียรให้ได้มากที่สุดนะคะ ปฏิบัติไปจนตายยักสัสเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าบางทีแบบเราต้องมาดูตอนท้ายสุดค่ะว่ามันเป็นยังไงที่ปฏิบัติมาเงี้ยค่ะค่ะไปทํา่ะเอาเลยเนาะค่ะโอเคไปที่ศรีราชาจํานกกระแจ๊ดดี้คเราเล่าปัติารพระอาจารย์ครับวันนี้มีคำถามครับไม่คำถาม ยสรายการทันทีสองมาให้หน่อยได้ไหมได้่ะครับผมคนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจกับทั้งขื่นกปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอ้ารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ําดีน้ํำเสดน้ําเหลืองน้ําเลื่อนน้าเหนืยวน้ำน้ำมันโคดน้ำตา น้ำเหลวน้ำา น, ำ น, น้ำูนน้ำไข่ข้อน้ำมูนน e. ้ำมูวน้ำไข่ข้นน้ำมูนน้ำได้น้ำเละน้ำเหลวน้าตาน้ำขวนน้ำเื่อน้าเตือนน้ำเหลือ่เป็นน้สที่ในสรองชีสัตว์เก่าช้น้อยใช้ใกญ่ปอดไตหางขื่น คลับหัวใจมับยึดในกระดูกกระดูกเอนและลาฟันเล็บสโอเคเดี๋ยวจะฝากให้การมาดใหม่รับเอาไหมยรับเอาครับไปว่าดลูกรับลูปของร่างกายป้องก่าเอาไว้ว่าข้างไหนให้ดูหน่อยไปค่ะให้เบิรดดูหนังสือนาตเมีแล้วก็ลองไปวาดหัวใจลงไหนปอดลงไหน ตับอยู่ตรงไหนเําใส้อยู่ตรงไหนท<ำ>ําได้ไหมําได้เรา<อ>เคยเปิดดูหนังสือหรือยงังร่างกายของเรามีข้างในเป็นอย่างเนี้พอเอาหนังออกเอาเนื้อลอกก็จะมีแต่โครกระดูกแล้วก็มีปอดมีตับมีหัวใจมีไตมีลาไส้<ำ> เราเราวาดดูวาเที่โรง เ, ง ร, เรียนสาารยาเขี้น่ไหมเราไม่มีไหม เ, า, เาส่งไปให้ครูเขาดูเลยวาผมดีมอาจารย์ที่บ้านให้ทาการบ้านนี้ให้ส่งมาให้อาจารย์ตรวจดูหน้าว่าดีไมมใช่นานไหมดีไหมดีครับโอเคนะจำไว้ ต่าไปมองเห็นหน้าใครอย่าไปนึกถึงชื่ออย่างเดียวเราเน้กถึงคงกระดูเขาเน้นถึงปอดหัวใจตับลำไส้สมองครับครับฝึกไว้เนี่ยตังแต่ เ, ตต เ, เด็กสอนได้เลยเสอนง่ายจำง่ายับครับ อาจารย์ดาวินจนมันตายทุกครั้งเจอใครหน้าใครไม่ว่าของพ่อของแม่ของเราหรือของเพื่อนใครต้องให้เห็นกระโหลกสีใสโของกระดูกของเดินมาแล้วเนี่ยโครงกระดูกเดินมาแล้ววอล์กอินเดนมาจากนะมีไหมมีคำถามอะไรไหมเปล่าไม่มีครับไม่มีครับ แม่มีหรือป่ไม่มีค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะคุณพ่อทำงานหรือเปล่าเป็นเกษียณแล้วทำงานอยู่ทค่ะช่วงนี้้รงเรียนปิดทำทำเป็นอาจารย์นะค่ะสอนที่สาธิตมอโบนี่นะคะที่ลูกสองคนเรยนอยู่ที่น่น่ะอเป็นเป็นแบบใบหนึ่งกล้องเห็นไหมค่ะสาวภาษาค่ะจูเนียร์อังกฤษโปรแกรม international โปรแกรมโอเคเข้ายากไห เป็นเป็นลูกบุคลากรนะคะก็เลยได้สิบข้าวใช่สท่านาันดาสอบข้าววันนี้ไหมสอบข้าวแล้วก็แปะเจียนอ่าแล้วก็บาง่านมีแปะเจียนมีข้าวข้าเลยก็แพงกับปกติด้วยใช่ไหมรับเท่านึงถึงแสนไหมอ่าอ hey ันนี yes, <theo. S 1> ้สาม0 0ื่นสี่อะค่ะมันเป็นจูเนี่ยอังกฤษโปรแกรมอะค่ะค่ะถ้าเป็นอินเตอร์ก็จะแพงถ้าจุว่ายังไม่แพงจนเกินไปอินเตอร์ปีเดีวต้องสี่แสนนีว้ ไม่จําเป็นจะต้องอินเตอร์ก็ได้นะได้เรียนเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับโอเคตั้งใจเรียนนะครูอาจารย์ให้การบ้านมาทํำของตาให้การบ้านเข้าไปทำนะร่างกายไม่ใช่เรานะร่างกายเป็นลูกน้องเราเราเป็นเจ้านายของร่างกาย เราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรกันตามไม่ต้องกลัวอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็รักษามันไปดูแลมันไปครอย่างเราไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายนไม่ต้องตกใจนะโอเคท่านี้กัยนะครับกร่าวขอบคุณพระอาจารย์ครับคุณชานิสาวันนี้เข้ามาเช้าโรกรออยู่เ ฟ่อแจนถามมาลูกเขาให้เขาถามเพราะว่าเขามีจะได้เป็นอนนานอะแค่สี้สวัสดีสวัสดีครับอัสด่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะถามอะไรถ้าทาไม่ดีเราจะเป็นยังไถ้าทาไม่ดีเลยถ้าทไม่ดีก็ไม่มีใครรักหนูเสีหนูอยากให้คนเขาัหนูเปล่าก็จะหอกว่า ถ้าฉันไม่ยักฉัไม่ใครเชื่อไม่มีใครรักหนูใช่ไหมคะมอ่าแล้วนายทำไมถ้าไม่มีใครยกักหนูก็ถามพระอาจารย์สิคะไม่ไม่มีใครยักคะพระอาจารย์ไม่มีอะไรนะครับฉันฉันฉไม่จะทำให้ยักจะไม่มีใครยักคะ่ะหนูรักคนไม่ดีหรือเปล่าคนที่มามนมาม า, มาตีหนูมาว่าหนูหนูหนูรักเขาหรือเป่าชอบเขาหรอา คที่เข้ามาเอาของของหนูไปนี่ดีไหมก็จะรู้ว่าอือว่ะงไงนะไม่ดีคุณไม่ดีะไม่ใคร่่คะคุณไม่ดีจะไม่ใคร่่ะมีจะไม่ใคร่ใช่ค่ะคุไม่ดีจะไม่ใคร่ใช่ค่ะคุณไม่ดีจะไม่ใคร่ใช่ค่ไม่ดีจะไม่ใคร่ใช่ค่ไม่ดีจะไปทําร้าย่ค่คุณไม่ดีจะไม่ใคร่ใช่คนะคุณไม่ดีจะไม่ใคร่้ช่ค่ะคุณไมาดีจะไม่ใคร่ใช่ค่ข้าณไม่ดีจะไม่ใคร่่ค่ะไม่ดีจะไง อไอ้ดอกอไรดอกไม้หนูถามพระอาจารย์เป็นบีก่อนดอกอย่าทําไม่ดีทําดีเราจะไม่มีเราจะมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดเราแม่จะบอกว่าแม่จะไม่มีคนคนเยอกใช่พระอาจารย์บอกให้ทําให้ทําดีใช่ไหมคะ อ, มอย่าทําไม่ะทําไม่ดีบางทีคุณแม่าจะเอาให้หนูไปอยู่กับคนอื่นก็ได้แม่เขาก็ไม่อยากทีอยู่กันนี้เห็นมเข้าใจ พร่อาจารยบอกว่าถ้าทำไม่ดีคุณแม่อาจจะให้หนูไปอยู่กับคนอื่นใช่ไหมแม่ก็ไม่อยากอยู่กันใช่ไหมคะไปอยู่คนเช่นใครเช่นใครก็ไม่รู้ไปอยู่วัดเงี้ยมาอยู่กับหลวงตามาอยู่กับหลวงตาแทนไปอยู่กับพระอาจารย์ได้ไหมไปป้าก็พรอาจารย์พอาจารย์หว่าอไนั่นะวัด่เนี่ล้วคังเลี้ยครังเนีหลูงปู่โตนะ ต้องทำดีนะต้องทาตามที่แม่บอกนะแล้วหนูหนูจะได้อยู่กับคนแม่เป็นนานๆแม่จะลัดหนูถ้าหนูทาไม่ดีดื้อไม่ฟังนียแม่ก็ไม่อยากจะอยู่กับหนูแล้วก็ไปเอาไปทิ้งวัดตัดหา้งปล่อยวัดเลยสมัยก่อนเด็กไม่ดีเขาตัดหางแล้วก็เอาไปเอาไปปล่อยวัดเอาไหมเอาไหมคะไม่เอาใช่หม <c oughs> ครัวเลย อ่อหนูจะถามว่าอาจารย์อะไรอีกนี่หนูจะถามสามคำถามมีอะไรอีกจาไม่ได้จนะ้ค่ะอ่าแล้วอะไรอีกนะคะอือถ้าหนูทำไม่ดีแล้วอะไรอีกนะทำร้ายคนอื่นใช่ไหมที่หนูามหมดย้งหมดแล้วหลับไปเมื่อสักครู่ค่ะพะะะระอาจารย์ไม่เป็นไรามได้แค่นี้ก็ดีแล้ว จำไม่หน้าที่หลวงตาบอกนะถ้าถ้าอยากจะให้คนเขารักหนูต้องทําดีนะอย่าไปทําไม่ดีเโอเคไหมคะโอเคแล้วหนูอยากไปนิพพานใช่ไหมที่หนูบอกเห็นมปลอดยคนดีได้ไปนิพพานคนไม่ดีไม่ได้ไปนิพพานนะใช่ไหมคะที่เมื่อกี้น้องคุณถามว่าพระอาจารย์อธิบายคุณหมอคนแรกบอกว่าเปลนไหวไตเกิดคือะไรใช่ไหมนั่นแหละนี่อะไรจะถามอ่ะหมดยั ขอขอบพระคุณแพรว่าอาจารย์า yeah, yeah. แม่มีอะไรจะถามว่ามีที่ปัดลองปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ที่ที่เคยมีคนถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติได้ามาที่ไปแล้วมีอาการน้ำลายอยากจะเกินน้ำลายแล้วทํายังไงพระอาจารย์บอกว่าให้ทนไปใช่ไหมคะหนูก็ไม่สนใจมันอย่าไปเกินมันจะไหลออกก็ปล่อยมันไหลไป ค่ะตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำยังไงมาสองสาคืนนี้ลองทำอย่างที่พระอาจารย์บอกดูมันก็มันก็ไม่รู้สึกไปเองโดยอัตโนมัะใช่ใช่มันสะพานมันก็เลยนะมันมันก็อยู่ตามเรื่องของมันไปเวลาคันกี่เหมือนกันคันก็อย่าเป็นเกามันไวมันพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่กับเดี๋ยวมันก็ลืมมันก็หาย พุทโธครับหมอพุโทโธครับครับพระอาจาหมอพุโทโธครับตอนแรกยังไม่เก็ตไงค่ะว่าเอ๊ะแล้เราจะเอาน้ําลายไปไว้ไหนค่ะทีนี้ก็ลองดูว่าเออถ้าลองไม่กืนดูซิมันจะเป็นยังไงป่อยให้มันเป็นอย่างนี้แหละค่ะจะไม่ออกก็ปรากฏ ว, ว่ามันหายไปเองตอนไหนก็ไม่ทราบได้เลยค่ะใช่ถ้าเราไม่ไปนสนใจมันนะมั น, ม, นมันก็ไม่เป็นปัญหานกำับเราอ่าแล้วก็เรื่องแปกก็คือ เป็นหวัดมาวันสองวันแล้วค่ะพระอาจารย์ขณะนอนหรือว่านั่งเนี่ยก็ยังหายใจไม่ค่อยออกแต่ว่าลองลองอดทนนั่งทาสมาธิดูปรากฏว่าเวันนั่งทําสมาธิไปมันหายใจโลง่งมันไม่ไ ม, ไม่ฟืดฟ้านไม่ต้องหายใจทางปากเลยตอนแรกคิดว่าเอทําสมาธิแล้วหายใจทางปากมันมันจะผิดหรือเปล่าหรือว่ามันทําได้ไหมถ้ามันจําเป็นก็ได้มันไม่ได้บงังคับว่าจะต้องหายใจ มันคือเราไม่ได้ไปบังคับลมการหายใจเราเป็นเพียงใช้การหายใจเป็นที่ผูกใจเท่านั้นเองถ้าลมมันจะเข้าออกทางปากก็รู้ตรงทางปากก็ได้อ๋อก็คือปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมั น, มนจะออกใช่มันจะหายใจทางไหนก็เรื่องของมันห น, หน้าที่ของเราคือคอยเข้ารีมันนด้เองเพื่อไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นได้ไหมอ๋อค่ะ เข้าใจเลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่โดยถ้าเราไม่ดูลมก็ได้เราใช้พุโทโธแทนก็ได้ถ้าเรามีปัญหาเวลาหายใจไม่ออกไม่ไม่สะดวกก็เปลี่ยนจากการดูลมมาเป็นพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวก็ได้อ๋อค่ะค่ะจะลองใช้ดูค่ะคุณอาจารย์มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์เมตตาแนะ น, นําหนังสือพระสูตรนะคะคุณจุ๊บส่งมาให้เาแล้วก็ระหว่างรอก็ โหลดใน เ, เพจพระอาจารย์นะคะอ่าน80หนะ้าแล้วก็โอรู้สึกว่ามันมันตอบคำถามได้ดีมากเลยะคะ่ะที่ที่เคยสงสยัยว่าพระแต่ก่อนนี้สงสัยว่าเอ๊ะพระอริยสงฆ์ต่างๆเขาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจากไหนทำไมเข้าถึงรู้ว่าอราิยสีอะไรหรือว่าพระสูตรต่างๆมันเป็นยังไงไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยคะ่ะอันนี้เข้าใจเริ่มชัดขึ้นมากขึ้นเลยค่ะ ก็ส่วนเล่านี้เป็นการแสดงธรรมยุคแรกๆของพระพุทธเจ้าพระจ้าม<ช>ุ่มงไปสอนพวกที่เป็นระดับปริญญาอแล้วพร้อมอยู่นะพอสอนเรื่องปัญญาเขาก็สามารถนำออกไปปฏิบัติได้เลยค่ะไม่เคยไม่เคยตามก่อนเลยพออ่านอ๋อพระอริยสงฆ์ต่างๆท่านท่านศึกษา ม, มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นี่เองถึงถึง ออกต่อได้ให้เข้าใจเป็นบางขั้นเป็นตอนก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยครับพระพุทธญาเป็นคนคนสอนเลยครับกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ไม่ตักใครยังไม่ได้อ่านก็ลองไปอ่านอยู่นะหนังสือเบญจางเบญจางข้วสุดขั้วสุดห้าขั้วสุดสำคัญของของทางด้านปฏิบัติค่ะอาจจะได้มี เห็นเนี้ยเป็นเหมือนแผนที่ทิศทางต่อที่จะพาเราไปสู่การหุดพ้นจากความทุกได้อืมขอบคุณค่ะอาจารย์น้องคุณกลับอาจารย์ก่อค่ะวันนี้ไปโรงเรียนน้องผ่าครับวันี้น้อผ่าตรงนี้ไม่ยังไม่เรียนวันนี่จะไปโงเรียนวันนี้ไปโรงเรียนครัไปอ่านไปเนสตี้ค่ะอาจารย์เนีโอเคกลับค่ะ งูนแย่ล่ะนอนหลับฝันดีนะนอนหลับฝันดีจ้ะไปที่ดาราที่ว่าคนเดษยากับคนอุตสาหน้าโลกเลยขออย่าทำรูปมาด้วยกันเยอะนะกลับแล้วไม่ใชการนะจ้ะแสดงว่าได้ปฏิบัติธรรมมาหลายภพหลายชาติด้วยกันนะทูกค่ะเนี่ยมันถึงเตะกันมา มีสีเท่ากันมีสมาธิเท่ากันมีปัญญาเท่ากันมีทานเท่ากันอะไรทำให้มาแจกกันอยู่เรื่อยๆรู้ค่ะวันนี้โยมมีคําถามหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารยอ์อาจารย์ได้ยินโยมไหมคะน่า ย, ย, นยินน่ายินเชยมากคือคือโยมวันนี้โยมแบบโยมว่างใช่ไหมคะเสร็จงานโยมก็เลยไปนั่งที่ริมสนามอะค่ะนั่งอากาศมันเย็นๆแล้วก็มองไปไกลๆ มองไปไกลๆแล้วยมก็ฉุกคิดตอนภาพจําตอนเด็กๆอะคะ่ะจะชอบไปนั่งริมสนามแบบนี้ดูแสงอาทิตย์ข้ามลงข้ามลงข้ามลงแล้วก็ดูนกค่จนกระทั่งมืดแล้วถึงกลับบ้านแล้วก็มนึกตอนที่กลับจากชนบุรีแล้วก็มองไปท้องหน้าต่างของเครื่องบินนลยคะ่ะมองไปไกลๆแล้วเรารู้สึกเรานิ่งแล้วก็จากที่ไปทัศนศึกษากระเด็กวันนั้นที่เสียงมันดงังโยมมองไปนอกหน้าต่างแล้วยมนิ่งใช่ไหมคะแล้วยมก็มองไปที่สนามมองไปไกลๆที่สุด ปลายขอบฟ้าสกายไลน์อะค่ะเส้นขอบ<ม>ฟ้าค่ะแล้วมันนิ่งโยมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราใช้วิธีนี้ในการฝึกจะได้ไหมคะมันก็ได้ในระดับ น, นแต่มันยังไม่นิ่งแบบเข้าไปข้างในพรามันจิตยังเต็นอยู่กับรูปรูปที่มองอยู่ต้องลองมองแตพาพแล้วลองปิดตาดูมันจะได้เข้าข้างในได้หมดอยา น, นี้มันยังไปสว่างข้างนอก สมามันยังไม่ไดสมาธิเต็มร้อยไม่แน่แนเต็มร้อยอแต่รู้สึกว่ามันเหมือนกำลับเริ่มต้นก็เริองต้นก็ช่วยปรับใจให้มันสงบได้เอาสงบแล้วก็ทับหลับตาแล้วนึกถึงภาพนั้นภาพที่เรามองก็ได้ให้มันปรากฏอยู่ในใจโดยที่เราไม่ต้องใช้ตาไปมองหมืนใช่ค่ะวันนี้โยมลองลองใช้วิธีนิดหนคือมองมองไปไกลๆแล้วก็ลองหลับตาดู แต่ก็ก็ลองมาถามอาจารย์ดูก่อนว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็โยมคนญาติสอบถามอาจารย์นะคะว่าตอนที่อาจารย์บอกว่าก่อนจะมาบวชแล้วอาจารย์ไปนั่งริมทะเลมองไปแล้วพอร้อแล้วลงอ่ำนะตอนนั้นอาจารย์หลับตาหรือว่ามองไปไกล ไปที่ตาเราต้องการเดินใจให้เข้าคนไหน น, น, หนั่งถอดลักตาโผง่ฉมวกนึกกายครัาเริ่มตอนดูได้เริ่มต้นอาจะดูให้ใจมันเบาแล้วหนับตานึกถึงภาพที่เราเมองก็ได้ ใ, ให้ใช้ให้ใช้ตาไหนห่อยมองเพราะว่าที่นั่นมันตอนเย็นเย็นมันจะไม่มีอะไรมันจะนิ่งมันจะเงียบอ า, ากาศจะแล้วก็มันเย็นลมเย็นพัดมาก็ลองนั่งเพ่งไปไกล แล้วก็ลงหลับตาดูแต่โยมก็ไม่มั่นใจลมโยดต้องถามดูก่อนพอมันชมันสบายแล้วก็ลองหลับตานึกถึงภาพนั้นจําภาพนั้นไว้ขณะก่อนตอนที่เราดึงตาถ้าหลับตาอยู่มันจะโผล่ขึ้นมาในใจขึ้นถ้าไม่โผล่ก็จะเดินไปดูใหม่ดูเหม่ยๆดูต่อไปกลับมาจนกว่ามันจะปรากฏขึ้นมาใ น, ในใจแล้วเราก็ไม่ต้องดึงตาแล้วก็เอาภาพนั้นเป็นตัวพาวาแท สาุค่ะยมรู้สึกว่าเอ๊ะมันจากที่ยมพบมาสองครั้งอะคะ่ะเอ๊ะเราลองลองน่าจะลองใช้วิธีนี้ดูแต่ไม่ใช่นั่งทุกวันพอเราขับรถไปมอเตอร์ไซค์ไปถึงจอดแล้วก็มองไปไกลๆใช่ไหมคะมองไปไกล <ừ m. S 2> ๆแล้วลองหลับตาดูเอ๊ะแต่ก็ไม่กล้านั่งงานนะคะต้องมาถามอาจารย์ดูก่อนว่าจะลองใช้วิธีนี้ดูได้ไหมใช่มันก็มันวิธีกสินเนี่ยกระสินเขาดูสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอันนี้เราอจะมีสีหลายสีปนกัน มีสีของผ้าทิ่แสงแดะสีแดงสลั บ, บนกับสีฟ้าอะไรค่ะมันจะเป็นสี<ม>สีม่วงอะคะ่ะสีพับลลาะค่ะสีสีแบบใช่ค้าก็อันนี้ก็เป็นอุบายของกิสกสินอ๋อเราจะลองยมรู้สึกว่าพอมันมันเหมือนกับชอบอะคะ่ะอาจารย์ชอบออแบบว่ามองไปที่ปลายฟ้าใ่าก่อนแล้วอาจจะถนัดฝึกมาทางนี้ก็ได้มันก็เลยมันก็จ ใช่ไหมคะใช่ใมันรู้มันพอมันมองภาพแล้วมันรู้สึกเบาเย็งสบายใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ต้องทําให้มันมากกว่านี้อย่าไปลืมตาต้องหลับตาเอาภาพนั้นเข้ามาในใจให้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวชมจะเราไปนั่งบนเขาเพราะที่เขามันมองไปที่ปลายฟ้ามันจะเป็นสีเขียวแล้วชอบชอบนั่งค่ะแต่เพียงเหล่าว่าเราไม่รู้ว่าทํำไมเราชอบค่ะคือปัญหามันมีว่ามันต้องไปหาที่อย่านี้อยู่เรื่อยๆมันจะมันถ้าดูลมเนี่ยมันสามารถทําได้ทุกแห่งทุกคน ใแต่ว่าเหมือนกับสติโยมยังไม่แข็งแรงจริงแล้วก็โยมที่อาจารย์บอกโยมว่าทําไมต้องใช้ปัดกาขีดแล้วก็โยมก็มาพบว่าตัวเองฝึกมาแบบนี้ค่ะว่าเวลาเราฟุ้งใช่ไหมคะโยมจะไปนั่งรถมาลัยนั่งปากดอกไม้แล้วมันจะชินกับการทํางานให้นิ่งอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นความชินไปอะค่ะหรือโยมจะดูต้องปลี่ยมาใช้ไพไทยดีไปมันจะได้เข้าไปได้สงบมากกว่า ใช่เพราะว่าเวลาโยมโยมโยมฟุ้งใช่ไหมคะโยมจะใช้เอาเอาเมล์ปางมารีวบ้างมาร้อยมาลายมาปักดอกไม้ได้ประมาณนั้นนะคะก็เหมือนดูลอก็ลองทำก็ลองฝับมาดูลองแทนอะไรใช่ใช่ค่ะก็เพึ่งไม้เออเราติดอย่างนี้จริงๆด้วยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะดูอาการทารีสองไปกลับไมได้ใช่ใจะจะรู้สึกจะชินกับการดูอาการของร่างกายมากกว่าอ่าใช่อย่าไปพึ่งภายนอกภายนอกมันเป็นของที่ มันเปลี่ยนแปลงได้มันมาได้ไปได้พึ่งภายในที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้ด้วยความเลืกคิดของเราเองนีมากแต่การอุเบกขานี่มันทุกข์มากเลยนะคะโอ้โหทรมานกว่าจะผ่าแต่ละขั้นตอนรู้สึกแบบถ้าเขาบอกว่าถ้ามันถ้ามันไม่ทุกข์มันก็จะไม่ได้ผลใช่ไหใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ยมจะลองไปใช้ดูค่ะยมยมฟังเทศอาจารย์บอกว่า พรมมันเสื่อมได้นะคะโยมกลัวเสื่อมค่ะจะต้องรักษาค่ะร<ช>ักษ<ช>าอย่างก็เสื่อมต้องรักษาด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะไม่เสื่อมตัดตัดทูค่ะขำว่าคุณค่ะโอเคอ่านน<ด>คุณเดยสายามีไหมอ่าพระอาจารย์คะเมื่อวานหนูฟังซูมาค่ะที่มีอ่าคนเขาถามว่ามีเหตุผลอะไรมีการมีชีวิตอยู่ในชีวิตนี้พระอาจารย์บอกว่าจริงๆชีวิตนี้ไม่มีอะไรให้น่าอยู่เลย แล้วสิ่งที่เหตุผลในการอยู่ก็คืออยู่ยังไงเพื่อให้ยุติการเกิดจะดีกว่าเพราะไม่มีอะไรน่าอยู่เลย mm hmm. แล้วก็แล้วก็เพื่อปฏิบัติแต่ว่าการปฏิบัติอะค่ะมันเหมือนขํามเหมือนต้องว่ายน้ําค่ําแม่น้ําที่เชี่ยวมากๆซึ่งระหว่างนั้นเวลาที่เราว่ายน้ําอะค่ะพระอาจารย์มีอะไรให้เรายึดเกาะที่พักหรือตัวยึดเพราะว่ากว่าจะไปถึงแล้วถ้ามองไปปุ๊บความสุขมันอยู่ตรงนี้ตรงตรงอีกฝั่งนึง ก็ตัวสติยังไงตัวสตินะคุณเจ้าสติเนี่ยเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดธรรมสติขึ้นมาก่อนถ้ามีสติเราจะเป็นที่ยึดเนี่ยวแล้วจะทําให้เกิดพลังที่จะสามารถปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นไปทามลงเพราะมีสติแล้วจิตก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นจมีความสุขมากขึ้นก็จะมีกําลังมากขึ้นไปทางมลงอ่ะ พอขาสติมเมื่อไหร่ใจแตกไปเลยหมดเดี่ยวหมดแรงไปเลยพอเผื่ไปชิดเรื่องทางโลก น, นไปเลยขาดสตินะ้อยู่พุโทโธพุโทโธพุทโธไปอยู่ราคาสามสิบสองไปรับประกันไดน้มันจะมีพลังแต่อเวลาอใจตอนที่อยู่บนเขาหรือว่าตอนที่ไปอยู่ที่วัดนะคะพระอาจารย์มัน มีความสุขมากๆเลยค่ะพระอาจารย์เพหนูไม่ต้องคิดอะไรเลย<ช>แต่ว่ามาอยู่ที่นี่คือเราก็ต้องจอดจ่อกับงานซึ่งมันก็ไม่ใช่สติแบบร้อยเปอร์เซนแล้วก็ความสุขที่ได้มันมันคนละเรื่องกันนะคะ ม, มันไม่ใช่สมาสติสตทิที่ท่านที่ต้องคิดอยู่มันไม่สงบมันไม่นิ่งแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ไม่ไหลไปไม่ลอยไปไลอยมา แต่มันยังนิ่งแมันอยู่อยู่จุดเดียวแต่มันยังคิดอยู่มันก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความสุขถ้ามันหยุดคิดได้มันถึงได้ความสุขถึงอ่าพระอาจารย์คะหนูจะถามว่าตอนที่อยู่ที่วัดนะคะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำไปมันเครียดมากเกินไปหรือเปล่าคือเวลาที่ปฏิบัติหนูไม่กล้าจะพักหรือว่าพักแป๊บเดียวจะรู้สึกว่ากลัว กลัวพระอาจารจะไล่ออกจากวัดถ้าห น, หนูพักนานเกินไปสมมติเดินจงกรมก็สิบห้านาทีแล้วแบบเอ๊ะเดี๋ยวมันจะขี้เกียจหรือเปล่าแล้วมันลุกตื่น เ, เ, เราไม่มีกล้องวงจร ป, <c oughs> ปิดปิดไม่ตัดมือถือไม่ต้องกลัวหรอก <c oughs> เราไม่ไม่มานั่งคอยเฝ้าดูคน ท, คนทั้งวันนี้หรอกแต่ก็ดีคิดอย่างงั้นก็ดีจะได้ไม่ขี้เกียจอยู่กับหลวงตาก็แบบเนี้คือกลัวเดี๋ยวงตาลุกพลังนอนมันขี้เกียจกันต้องรีบมา ค่ะซึ่งในความสุขนะั้นมันก็มีความระแวงอยู่ในนั้นด้วยค่ะว่ากลัวว่าจะปฏิบัติย่อหย่อนแล้วโดนไล่ออกจากวัดขึ้นหมก็ดีใช่แล้วพยายามปฏิบัติอย่าให้มัน ย, อยอ่อหย่อนพยายามรักษาระดับการปฏิบัติช่วงวันะดับไว้ให้มันได้ระนับที่เราทำได้แล้วอย่าให้มันหยอ่อนแล้วก็เพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ค่ะก็เลยแบบว่ามันก็มีความสุขตอนนั่งสมาธิหรือว่าแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติมันจะมีบางช่วงที่เหนื่อยพอช่วงกําลังที่มันอ่อนๆก็จะระแวงตลอดเวลาว่าเราพอเราได้พอหรื อ, อยังเรามันจะเกิดขึ้นเป็นปกติหรือเปล่าคะหรือว่าหนูกังมันคือความกังวลเพราะเห็นพระที่บ้านตาัดเวลาหลวงตาจะต้องไปเดินตรวจหนูว่าก็เป็นหนูหนูก็กังวล น, นะคะก็ถ้ากังวลก็ต้องทําต่อไป อ๋อเดี๋ยวจะชินเองใช่ไหมคะการทำไปนอกจากถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ต้องก็พักได้แต่อย่าอย่าอย่าขีเกียคือทำได้แต่ไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็ทำถ้าเหนื่อยก็พักได้มีเห็นเ้ก่อนไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะโอเคนะไหนที่ท่านตอไปขออย่าง อ, อ, อีกคำถามค่ะอาจารย์คขอบเขตในการเมตตานะคะมันอยู่ประมาณไหนคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีเพื่อนมาปรึกษาเราเราให้คำแนะนำไปแล้วแต่ถ้าเขายังมาพูดเรื่อยๆแล้วพูดเหมือนมารบายอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องฟังต่อไหมคะหรือว่าเราถ้าเรามเมตตาก็ฟังไปบางแต่เราไม่ต้องไปมีาอารมณ์การพูดชุกเ่า ไมอยากจะพูดก็ปล่อยเขาพูดไปเหมือนเราทับตัวกันเหมือนไมไค์ของโฟนไมของเฟนก็ตั้งจอที่งปากเขา้าก่อนการแต่ใจเราไม่ได้ไปฟังเขาก็ได้ใจเราก็อาจจะพูด โ, ดโทรพูโทเราไปันนั้นก็ง้บงกลับมาฟังที่เขาพูดไปถึงไหนแล้วยังพูดอยู่อ่ะแล้วพโทรพูรเราต่อไปก็ได้ถ้าเราอยากจะส่งข้อเขาค แล้วถ้าเข า, ถ, าถ้ามาบ่อยมากเกินไปก็ต้องมีการปฏิเสธนะไม่ว่ า, าอะไรบ้างเขาจะได้รู้ว่ามันเกินไปแล้วทุก <ul> อย่างมันมีความพอดีอะไรมากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยช น, เนย์เลยก็ปฏิเสธได้แล้วอย่างถ้าสมมติถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่จำมาทำไมมาปรึกษาทําไมปรึกษาแล้วไม่ทําตามที่เรา ป, ปรึกษาก็จบ แล้วอย่างถ้าเวลาปมาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์หนูมากับแม่แล้วถ้าสมมุติมีคนที่มาเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เอบางทีหนูกังวลว่าหนูจะแกว่งหรือเปล่าการที่มีคนอยู่เยอะๆแบบมาด้วยกันเดินทางมาจ<ม>านวนมากไ ม, ม่ควไม่คนมามากมาคนเดียวสองคนก็พอแล้วถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆต้องไปคนเดียวหมดพละไม่ต้องกังวลกับใครถ้าสองคนก็ต้อง ต้องต้องรู้รู้ว่าหน้าที่ของตนต้องทําอะไรไม่ใช่มากาอกันเป็นปลาท่องโ ก, โ ก, โ ก, โกไงไม่ได้มาถึงที่ปฏิบัติแล้วต้องแยกกันไปตามที่ควรไม่พบปะกันนอกจากมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นอะไรที่จะพบปะกันได้ไหมค่ะอ mm hmm. okay. าคายมาก็อบอกเขาต้องมาแบบนี้เขาจะได้รู้ไม่งั้นเดี๋ยวก็หนาวเขาจะมาเข้ามระตูเอ๊ hey, มี มีนู่นไม่มีนี่ไมเป็นเป็นข้ออ้านงั้นเดี๋ยวเราขอคุ ย, ยต่อไปนะโยมขออนุญาตอาจารย์อนุญาตนะคะสำหรับโยมโยมตั้งใจทำเพื่อเหมือนกับว่าอะไรดียไม่อยากให้อาจารย์ผิดหวังนะคะสิ่งที่อาจารย์สอนมาเราจะต้องทำให้ได้ เราไม่ผิดหวังหรอไม่ได้ไมหวังอะไรจากโยมเราไม่ผิดหวังค่ะโยมทำก็เป็นโยมทําก็เป็นเรื่องของโยมโยมได้ก็โยมเป็นคนได้เราไม่ได้ไม่เสียการโยมค่ะคือเหมือนกับว่าอุ้ยอาจารย์สอนมาเราต้องทําให้ได้เราต้องพยายามทําค่ะประมาณนั้นคิดอย่างนั้นก็ดีแต่ถามตัวเราเราไม่ได้คิดแบบโยม ยืนแล้วเดี๋ยวว่ากินไม่ได้น้ำไม่หลับเป็นโรคเสี่ยงคนนี้ปฏิบัติหรือเปล่าคนนั้นปฏิบัติหรือล่าตายเนี่ยมีกี่คนเนี่ยมันเป็นการตอบแทนค่ะรู้สึกว่าเราต้องตอปฏิบัติบูชาเขาเรียกปฏิบัติบูชาดีให้นความคิดที่ดีไม่ว่ากันแต่มันเป็นเรื่องมิโมไม่ใช่เรื่องของเราคนละเรื่องกันให้ให้ครคุ้มค่ากับที่อาจารย์เมตานะครับอาได้ดีใจดีใจเลย สาธุค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเลยค่ะจ้ะโอเคฮะคุณฝนตอบคุณฝนอาจรย์ก่อนจมองมสักครั้ค่ะพระอาจารย์วันนี้เรามาส่งการบ้านค่ะที่อาทิตย์ที่แล้วคุยกันเรื่องพระอาจารย์เน้นให้เรื่องฝึกปฏิบัติสติกับสมาธิอะค่ะก็ ปฏิบัตินะคะแล้วก็ไปฝึกสติที่รู้ตัวว่าเออตัวเองค่อนข้างจะบกพร่องเวลาขับรถนะคะก็เลยพอดีก็เลยคิดว่าเออทำเรื่องการปฏิบัติสติเวลาขับรถเป็นปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นั่นแหะค่ะเพนี้ตอนที่เมื่อกี้นั่งฟังเกี่ยวกับคําถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ําลายนะเจ้าค่ะพราจยโยมก็เลยคิดว่าเออตอนนี้มันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของโยมในการปฏิบัตินะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนนั่งอยู่อะค่ะ มันแบบมันเออขึ้นมาเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยทําตามที่พระอาจารย์สอนว่าแบบให้อยู่กับลมหายใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะซึ่งพยายามโฟกัสที่ลมหายใจแล้วค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนแบบคือมันตอนแรกมันมันจะหายใจไม่ออกเลยค่ะพระอาจารย์มันอึดอัดจนหายใจไม่ออกเลยค่ะแล้วจนถึงจุดหนึ่งมันก็โอเคมันมันผ่านไปได้อะค่ะแต่มันผ่านไปได้แป๊บเดียวอะค่ะพระอาจารย์มันก็กลับขึ้นมาแบบกิเลตัวนี้ค่ะมันก็กลับขึ้นมาแบบเล่นงานอีกอะค่ะพระอาจารย์จนแบบ ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็้องว่าสติเรามี ก, กำลังน้อยสู้กิเไม่ไหวต้องใช้วิธีสวดไปหรือท่องพุโทโธไปอะไรอย่างนี้ไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคือยมจะเน้นฝึกสติใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือภาวนาพุโทโธตั้งแต่ตื่นนอนนะคะจนแบบเดินไปอาบน้ำแต่งตัวทำอะไรอะคะ่ะแล้วก็จนถึงแม้กระทั่งว่า กอนนอนก็ภาวนาพุโทโธทีนี้ตอนจังหวะที่เวลาหลับไปแล้วอเจ้าค่ะแล้วบางครั้งมันสลืมสลืรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกแต่มันเป็นความสลืมสลนะเจ้าค่ะมันก็จะภาวนาพุโทโธไปเองโดยอัตโนมัติเลยะค่ะแล้วก็แบบแล้วก็หลับต่อค่ะซึ่งก็เป็นอย่างเนี้ยมาได้อยู่เป็นเดือนแล้วแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อยู่ตื่นขึ้นมากลางดึกอะค่ะแล้วมัน อยู่ๆไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองมานานแล้วคือมันมันฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบความกังวลสารพัดมันเข้ามาเลยอะค่ะจนแบบเรากังวลจนนอนไม่หลับฉะนั้นที่เราก็ก็พภาวนาพุทโธพุทโธแล้วอะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนแบบมันมันมันฟุ้งขึ้นมาเองเลยอะค่ะพระอาจารย์ก็สติแล้วหมดเลยนะอะไรฟุ้งมาก็เลยฝืนภาวนาต่อแต่ว่า ก็ใช้เวลาสักพักนึงเหมือนกันนะคะก็ภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจนแบบจนสงบนิ่งลงแล้วก็ถึงค่อยแบบเอาไปนอนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใว่าจิตมันไม่แน่นอนบางทีเวลามันจะพยศขึ้นมามันก็เอามันไม่ค่อยอยู่เอามันยากพอสมควรแต่ถ้าเราสู้ไม่ถอยเดี๋ยวเราก็ต้องชนะมันค่ะก็พยายามสู้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าแบบ คือพยายามฝึก ส, สติแต่ก็อย่างที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะมันมันพยศขึ้นมาแล้วก็รู้สึกแบบเออก็ไม่ถึงกับเสียกําลังใจนะคะแต่เราคิดว่าแบบเออหรือว่ายมปฏิบัติบกคร่องไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่บกพร่องอมันเป็นปกติของผู้ปฏิบัติใหม่ๆหรือยังไม่ได้ไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ร้องลุกคุกราอย่างเงี้ยบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเลวเลาเวลาดีก็อย่าไปพยองเลวลาไม่ดีก็อย่าไปท้อ ทีว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิแบบัติเพราะว่าแต่อย่างช่วงที่แบบมีสติคือช่วงทีตย์ที่ผ่านมาก็จะพยายามนั่งสมาธิทุกวันนะคะพระอาจารย์<อ>แล้วก็อย่างที่เรียนพระอาจารย์ไปเมื่ออที่ที่แล้วว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้นานขึ้นเจ้าค่ะแบบคือแน่ๆคือไม่มีต่ำกว่าสามสิบนาทีแน่ๆะคะ่ะก็มีไปสี่สิบห้าสิบนาทีะคะ่ะทีนี้ช่วงหลังๆคะ่ะเวลานั่งก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะสงบ สงบได้เร็วขึ้นแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นแบบสงบแบบสงบแบ บ, บ, แ บ, บเป็นคณิกะนะเจ้าคะแต่ว่าถ้าเทียบกับก่อนเนี่ยค่ะมันเหมือนมันจะรู้ว่าความคิดมันกำลังเริ่มที่จะฟุ้งเริ่มที่จะแวบไปคิดได้ค่ะเราจะดักมันไว้ทันได้ก่อนโดยการไปไปภาวนาพุโทโธหรือดูล้มหายใจอะค่ะพระอาจารย์ดีเราฝึกไปแล้วมันจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติมากขึ้นไปนิดนึ ค่ะพระอาจารย์ก็คงต้องฝืนกับความเพียร น, นะคะก็คือต้องพยายามเพียรต่อไปนะคะพระอาจารย์วความเ<ล>พเียรเนี่ยเป็นตัวตัวตัวนําหน้าถ้ามีความเพียรแล้วผลมันก็จะตามมาพยมขาดความเพียรไงคือก่อนห<ม>น้านี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็เอจะพยายามเป็นปลาว่ายทวนน้ำนะคะ่ะ<ม>ก็คงต้องฝึกฝึกต่อไปนะคะพระอาจารย์จะแบบเราก็จะมาส่งการบ้านพระอาจารย์เรื่อยๆ<ม>อยะค่ะก็คิด<ม>ว่าการ การการฝึกสติแล้วก็สมาธิในช่วงนี้ลมลุกพานไปก่อนนะคะพระอาจารย์ตัวสติเนี่สําคัญพยายามทําให้ต่อเนื่องไั้แบบต่ตื่นจำหลับเลยพุทโธไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะก็คือคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะพระอาจารย์เวลาแบบเวลาที่อยู่คนเดียวเราจะพุโทโธได้แบบแทบจะต้องจะพุโทโธได้ดีกว่าเมื่อต้องคุยรับต้องอะไรเขาใช่เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเนี้ยเราก็ไม่ได้โฟกัสอ่ะมันไม่ได้พุโทโธเลย เดี๋ยวนี้มันอลิปอะไรก็ก็โทษตลอดนะคะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ค่อยดูเอีถ้าอยู่คนเดียวก็พุทธหัเวลาอย่าฟุ้งอย่าปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านต้องบอพระอาจารย์แต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะว่ามันก็มันก็อยู่ๆแบบมันขึ้นมันก็ขึ้นมาเลยค่ะพระอาจารย์จนแบบบางครั้งเราก็แต่พอพระอาจารย์บอกว่าเออมันไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าบกพร่องก็ก็โอเคค่ะก็มีมันมันจะเป็นในสัยไปต่อไปพุทธหัมันจะมาง่ายใช่ ค่ะแบบมันก็มามาง่ายเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าบางทีไม่บางทีไม่ต้องเรียกมันมันมาเลยคนรับใช้เมื่อก่อนต้องคอยเรียกมันพูท้อพูท้อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกมันมันมาเลยพุดท้อก็บอกว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ขับรถดีมากเจ้าค่ะแบบว่าตั้งใจเลยว่าจะปฏิบัติค่ะก็จะไม่บีบแตรโดยใช้อารมณ์เลยก็ทำได้จ้ะเมตตานะเมตตาขอคนที่เขาหยิ่งร้อนเาให้ปยปล่อยให้เขาไปก่อน เมื่อก่อนไม่ยอมค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าว่าหลังจากเข้าซูมรอบที่แล้วแล้วคิดว่าเออเราจะต้องแบบคือจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะที่จะต้องต้องคิดว่าเออทํำได้ค่ะก็เออก็เรื่องนี้ก่อนแล้วกันเรื่องง่ายๆค่ะก็ทําได้ก็โอเคเหมือนกันในอย่างเงี้ยค่ะก็คุยติไว้ค่ะพระอาจารย์ก็มาเรียนกับอาจารย์เท่านี้ะค่ะอาทิตย์นี้ค่ะสาธุขอให้ขับกลบไปนะเจ้าข่าพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณความเมตต์้องของพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะ ไปที่เนเธอร์แลนด์อแลนด์ะวันตะวันจูเนียร์ไปไงครับตะวันมีอะไรครับทัวร <laughs> ์อไงไม่มีคำถามครับแค่ร <laughs> าย ง, งานอย่างเดียวครับมาอะไรตะวันชอบวาดภามไหม <laughs> ออชอยครับ Ah, o f r c o m in. How are you? I'm good. Thank you. Okay, welcome to our meeting. Thank you. Can you understand Thai? No, n <laughs> o no s all. y o u t your wife translate for you later. Yeah, she does. She helps me. Okay, if you want to join us, we have English one on Tuesday night. Oh, thank you. You can come in Tuesday night, and you want to listen to the English version, okay? But yes. let me talk to your son. He wants to say something. But there a r many u o n that o u a sent me. Um, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. n ที่ค้มคุณเล็ฟอจะต่องอาการ32ให้พยาบาลฟังหน่อยได้เทงมาเลยโค้มคละฟอนน้เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกใช้หัวทบังคุดน้ำผัดใช้ยาช้น้อยอาหารม่อาหาเขาน้าดีน้ําลลดน้าเหลืองน้าเลือดน้าเงือน้ำมัคุน้าตาน้ำแม่เหลวน้ำลายน้ามูกน้ำไกล้อน้ามูด ยืนอะไรฉันไม่ตองใช้ช่ช น, นั้นจะตัวเองต้องได้ครับได้ต้องกลับไม่ได้นะน้ํามูดน้ําขาขก็น้ำลายน้ําตาน้ํามันอะไรพวกนั้นได้แต่นานใช่ไหมใช่ได้จะนานมากเลย เ, เราวาทําได้ไหมว่มาภาพของร่างกายที่มีคงกระดูกมีปอดมีลําไส้มันเป็นไหมได้ครับ ลองไปหวาวาดดูนะไปเปิดหนังสือดูไปนังก็ไปในอินเทอร์เน็ตในอะนาตอมี omy, แล้วก็มีภาพเอาภาพที่ม่มีเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นโครงกระดูกเนี่ยดีไหมจะได้รู้จักร่างกายของเราดีขึ้นไงมีครับ น, นะนนโอเคทางแฟนมีคำถามอะไรอยากจถามบ้ามีค่ะอาจารย์ คุณวันนี้ให้สิทธิ์คุณมาโก้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปข้างนอกแล้วค่ะขอ p looking but i t went away. Normally, I dream about work. I don't dream about uh, about about death much, uh, but I do practice d h a m m a and I do think about death a lot. So it felt actually very good. I think about the Buddha before I fall asleep, uh, and I liked that dream, but I don't know what what what it really means. But I did feel peaceful then. It's probably something you have stored in your subconsciousness in in your in your past life. You might have studied or looked at. The, the corpses before, so it, it remains in your subconsciousness, and sometimes when you sleep, this thing will come come up in your dreams, which is good sign, because this is the this is what make us uh, smart or have wisdom to see that our life is not, is not permanent, our body is not permanent, subject to aging, sickness and death. This is a very good information that we should you should try to develop and maintain in the back of your mind as much as possible, so it can stop your delusion from misleading you to go chasing after something that you're gonna lose in, in the end when you die anyway. So this is good in Buddhist. o m b u d d h i perspective, this is good to see a dead body, to see a sick person, to see an old person. This is a good, good, good, good information to to to have because it will then uh, help uh, eliminate uh, uh diminish your your greed, your hate, and delusion, which is the cause of your your stress and restlessness and agitation and and And worried. If you know that we r e all gonna end up dead, so what what is there to worry about, right? <laughs> But we keep forgetting it. it's how we gonna live forever. True, we get worried about everything. <laughs> yeah, forgetting that in the end we you don't take anything with you anywhere. True. So it's a good it's a good thing to to help cure your your worries and anxiety. Thank you. Okay, so try to maintain this. This is something that t comes up to to maybe to remind you that you know, this is something that you should keep thinking about as much as possible. Only to the point where if you start to feel depressed and you want to kill yourself, then you have to stop. It means you are over, over overdoing it. It can okay. be. It's just there to remind you of the truth, but it's not there to to to lead you to go kill yourself. You know, so you have to. If you think of death, you have to be have know the the limit. If you start to think in a, in a bad way, then you should stop thinking about it. It's difficult because I I noticed at work uh, not too long ago, a colleague of mine, his father passed away, and I saw how much stress it gave him. Mm -hmm. And I was trying to place it in perspective and see my own father pass away and my mother pass away, mm -hmm. and I noticed that it's it's, it's difficult that people really shut down when when that happens. And at the same time, I'm very curious how I will. Of course, I don't want it to happen, but I know it will happen, and I'm curious how I will react in the situation because I want to test if if if I indeed can let go in in in that sense because I do realize that that life is is not permanent. Our parents are not always there. They're going to go away, and I can't take care of them forever. But I want to, at the same time, want to expose myself to the situation so that I can see if I am ready to, to to to deal with it. Because if I see other people deal with the grieving, I see that that their whole lives change and they get depressed. Whereas I think it's more that we have to let go anyway. Then why not let it go completely and test yourself? So that's something that I try to think about often. And it scares me, but at the same time, I do want to find that thought. One way to find out whether you can deal with it is that every time you think about it, if you don't feel if you don't feel any sadness or fear, then you, you're doing okay. It means you might have been vaccinated, have been prepared for the the truth that will happen. Yeah. But if, but if every time you think about that. Of someone and you makes you feel gloomy and you don't want to think about it. It means you're still uh, not ready for it. You're, you're still rejecting the truth. Yeah. But if you think and you don't feel any any sadness or feeling bad, you just say, well, this is life. We are born and we are gonna die. Then then you y o u r s y o u e p o s t This is not so important with other people. What's more important is with yourself. Your own life. So this is something more important. Whether you can also accept your own death or not. Yeah. yeah. But first, you, you try with other people, especially someone close to you, like your family. Yeah. See if you if things should happen, just just imagine and see how your mind react to your imagination. Thank you. Okay. If you, if you cannot accept it yet, it means your mind is not calm enough. So you might try to do some meditation first to calm your mind down. And then after you have some calm, then you can reflect and think about these things again, see how your mind react. Thank you. Okay. Alright. Nice meeting you. Nice to meet you. Thank if you. You. you like to talk in English with the rest of the people, you can join. Tuesday. Okay. <laughs> same time, but today s Wednesday. But we did it yesterday, Tuesday. So same meeting, same same link. You can use the same link. Okay. Thank you. <laughs> All right. Okay. Maybe i e l l see you again. Thank you very much. All right. One n a s t h i n g I w i ผ่าพาราฮะยงกินข้าวผ่าจานวันนี้ทำหายไหมลูกเออไม่มีคํำทำครับปักปักักที่กันเท่านั้นสิะคิดเอาพาราฮะคือสัปดาห์ที่ผ่านมามีบททดสอบค่ะพาราจานก็คือก็คืออท่านแม่โยมนะคะอหมอวินิจฉัยว่าจะต้องควักลูกตาออกนะคะจะต้องถูกควักลูกตาออก ก็คือวันนั้นทั้งวันเนี่ยก็คือรู้สึกเครียดแล้วก็สงสารท่านแล้วก็กังวลแบบว่าอยากจะควบคุมสถานการณ์ว่า เ, อ, อ, เ อ, อท่านแม่จะเจ็บมากไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็คือโทรหาคนนั้นคนนี้ก็คือรู้สึกเครียดมากๆค่ะจนผ่านไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆโยบะคิดขึ้นมาว่าถ้าเป็นป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยจะรู้สึกยังไงแล้วจากนั้นนี่คือมันก็เหมือนจิตมันก็คิดมันคิดของมันต่อไปเองค่ะว่าอย่างมากก็คงแค่ เอ่อเอ่อก็คงแค่สงสารเขาแล้วก็ก็คือคงไม่ได้ทําอะไรต่อในแบบนี้ค่ะพิจารณาก็คือเหมือนบรรวางของมันเองอะค่ะว่าอะไรเป็นของเรามันมันจะทุกข์มากา่ถ้าอะไรไม่ใช่เป็นของเรามันจะไม่ค่อยทุกข์<า>เลยค่ะแล้วเราต้องมองทุกอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเรา่ะค่ะ คือโยมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่อยู่ดีๆเนี่ยอุบายมันมันขึ้นมาเองอะคะพระอาจารย์อันนี้มันมันมีช่องของมันเองที่บอกคะหรือไม่ใช่ใช่ไหมับนันอาจจะเป็นพราะเราเคยปฏิบัตินล้วเคยทำนี้มาก่อนคอยหาช่องทางวิธีแก้ปัญหามองมุมกับมองมุมมุมกับมองว่าเป็นคนอื่นเนี่เป็นยังไงค่ะดีดีอย่างวันแรกโยมก็คิดเรื่องว่าเอ๊ะรับเราเพราะว่าเราอยากโยมอยากจะให้แบบนั้นแบบนี้แบบนี้ปุ๊บ แต่ว่ามันก็มันก็ไม่หายเคยรียดนะคะพอมันคิดเรื่องเกี่ยวกับเออถ้าไปเทียบกับป้าข้างบ้านแบบเนี้ยก็คือมันมันเหมือนกับว่าปวดท้องเราได้ถ่ายแล้วมันจะโล่งมันจะแบบมันมันเบามากเลยค่ะพระอาจารย์ก็คือปล่อยเลยก็คือโทราห า, ราท่านแล้วก็ออคขาดมองเหมือนกับมออนาคตมองทุกอย่างเป็นอนาคตค่ะก็ <laughs> ะดีอันนี้เป็นเรื่องของงาปฏิบัติจะต้องจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการ คิดในในหลายหลายมุมหลายด้านคิดมันใช่ค่ะวันแรกโยมหาวิธีคิดแบบนั้นแบบนี้คือมันมันหาทางออกไม่ได้ค่ะจนมันคิดขึ้นมาของมันเองมันรุ่งขึ้นนะคะเพราะว่าทําไมเราโง่มาตั้งแต่ตั้งหนึ่งวันนะคะพระอาจารย์ทำไมตอนแรกมันไม่ไปแบบนั้นอยู่ดีมันก็ขึ้นมาของมันเองอะค่ะว่เราเราเราค่อยค่น้อยไงครับค่อยค่อย้อยเข้าตอไปมันก็จะเร็วขึ้นอ๋อค่ะมันจะเร็วขึ้นค่ะพระสาร ให้มันอยู่ในแนวของตายรักไว้ไม่มีตัวตนไม่มีไม่สัตว์ไม่มีบุคคลเป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟมันเหมือนกันหมดทุกคนแต่ทำไมเราไปทุกกับคนนี้ไม่ทุกกับคนนั้นใช่ค่ะอาจารย์ก็เพราะเราไปยึดไปถือว่าเขาเป็นอะไรของเราเป็นของเราค่ะ แล้วพอมันได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เจ้าตัวเล็กกลับบ้านช้าแบบนี้ค่ะมันก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยเขามาโยงด้วยถ้าเป็นสิ่งข้ามากจะรู้สึกยังไงใช่ค่ะมันมันจะต่อกยอดของมันเองแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละซึ้งในรถพระธรรมมากมเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่มันมีมันมันมันโล่งมันเบาแล้วมันก็ไม่ค่อยยึดถือตรงนั้นนะคะจากที่เคยเครียดมานานนะคะพระอาจารย์ก็มีหมอกันหนึ่งก็เล่าว่า เขาก็รักษาเด็กมาเยอะแยะเวลาเด็กไม่สบายมาเขาเขาเป็นทุกข์กับเด็กเหล่านั้นเลยแต่พอลูกเขาเป็นขึ้นมานีมันกลับไปทุกข์กับลูกของเขามากลากเกินเขาพ่อเป็นประธานใช่ไหมคะใช่ประธานไปถือว่าไปลงคิดว่าเขาเป็นเราเป็นของเราเป็นของเราเป็นลูกเรา่ะใช่อาจจะมีความสัมพันธ์เข้ามาจากเราแต่ความจริงเขาก็ยังเขาก็เป็นร่างกายอีกร่างเหมือนกับร่างกายของคนอื่นนะครับ ค่ะพระอาจารย์อันนี้คือจะเรียกว่าเป็นอุเบกขาได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์อุเบกขาที่เกิดจากปัญญาหรือเปล่าคะมันเป็นอุบายของของปัญญาที่จะทำให้ใจสงบข่อยวางค่ะค่ะพระอาจารย์โอเคนะค่ะพระอาจารย์้อบคุณค่ะไปี่อไปอาจารย์ภพวิไลัยากกอธรรมเอ็มวีสองสองคาวันก่อนเพสัตฟังมาใส่บาตรนี่นะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันค่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันกับคุณอนุกูลค่ะอ๋อเลยเมื่อกี้มันพูดเข้ามาค่ะมาติงกับเดอะแก๊งค่ะมีแก๊งธรรมะสามท่านค่ะเข้าเข้าอยู่อีกห้องนึงค่ะเขาสูงเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งสูงไหมเขาเขาเข้าอยู่ค่ะอืค่ะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ปฏิบัติธรรมนะ ไม่ใช่มาเที่ยวค่ะเอามาเที่ยวมาเทีท่ยวออกนอกประเทศในสามปีครึ่งค่ะยังถูกก<ค>เยลยหยังถูกกิเนลเลยหอกเ่ะโอ้หลอกเยอะเลยค่ะเยอะมากแต่แต่ก็ยังยังได้มีทําเงี้ยพอทุกคนก็รีบกลับมามก็เปิด z ู o เพราะเวลาต่างกันชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคะมาถึงก็รีบเปิดเอ้าโทรไปหาคุณนุกูลงบอกว่านี้มันต้องอีกชั่วโมงนึงนะโอ้โห ไว้ทำไมไม่มีใครรับสูมหรอกตะกี้เลยกก็คุยธรรมะกันค่ะเอาหนังสือมาแจกกันเดี๋ยวต้องขอหนังสือคุณจุ๊บเพิ่มแล้วค่ะได้เพราะไม่คุณอนุปุลไม่นะไม่ทราบว่าอาจจะนอนไปแล้วยังอยู่อยู่อยู่อยู่เห็นอยข้างล่างนะคะก็นัดกันะคะค่ะวันนี้คงไม่ได้มีอะไรค่ะก็ ก็กิเลสมาพามาก็คงยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะยังยังไม่สมบูรณ์ค่ะตัดเป็นช่วงๆก็ไม่เป็นไรถ้าถ้ามีความสุขก็ถือว่าโอเคค่ะก็ไวยใกล้ไว้เปิดฝาลงกันมานานแล้วค่ะก็คุยกันว่ารีบๆทำไม่จะอยู่ถึงแปดสิบกันไหมพวุ่งนี้ตื่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่ตื่นแล้วก็ช่วยดูดูกันด้วยนะเข้า่าทายังไงต่อ ก็ยังยังเข้าใจในชีวิตกันค่ะไม่ได้มีคาถามแล้วไม่มีความทุกก็ใช้ได้ใช่ไหมคะถ้ไม่มีความทุกข์ก็คุยในโต๊ะอาหารก็คุยกันเรื่องเรื่องอายุเรื่องตายนะคะเป็นเป็นของธรรมดากันไปทุกคนก็ยอมรับสภาพได้ค่ะเอาเต็มที่เลยนะเอาเต็มคาลาเบลเลย เต็มเลยค่ะเต็มคุยคุยกันเต็มมาแล้วก็ทานกันเยอะค่ะทานกันมาหาอะไรตามกิเลสปากค่ะโอเคเยไปพี่ท่านตอบกัได้นะนรรษการค่ะครับกาบฟก็อยากโาเพราะเดี๋ยวนี้น้าหนักขึ้นเยอะมองเห็นผิดแปลกเลยเนี่ยอันนี้ก็โดนกิเลสเด็กใบคงนั่นเนี่ยครับก็มีเรื่องหนึ่งครับว่าช่วง ผู้ไปก่อนไม่รู้จะได้ปไปทําไหมก็คือช่วงเมษาเนีไงครับว่าจะไปภานาะที่ที่ตกัมพูชาครับเป็นเป็นวัดที่เป็นท่านเป็นลูกศนษย์อของพรพุตั้งแต่สมัยนี้ที่มาภาคใต้นะครับคือติดต่อไว้แล้วพภาวนาแล้ ว, ต แ, ลวแต่ว่ามาบอกพระอาจายไว้ก่อ น, อนว่าจะเพื่อจะให้เราได้ได้ไปแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติยังไงแต่ว่าคิดว่าอยากหาเวลาแบบกานที้เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาถือว่ามีคุณค่า มึเกบเอาไปใช้สิท่านี้ดีกว่าดีไปทางทำมากอย่าไปทางกินมากเกินไปครับแล้วก็แล้วก็ประมาณสี่ห้าเดือนเนี้ยครับก็ก็มีความก็มีเพื่อนสนิทคํานึ่งครับก็ก็คือเราก็สอนเขาเขาก็าถามก็สนใจถามตั้งแต่เขานั่งสมาธิไม่ได้จนตอนนี้ก็สืกว่าเขานั่งได้สี่ชั่วโมงแล้ว แต่เขาก็เข้าประมาณไปฟังคลิปนู้นคลิปี้ก็เป็นประยัดมามามาที่แบบสู้เราเนี่ยแต่เราก็สามารถแบบว่าสอนก็ไปได้เงี่ยเขาก็เขาก็เชื่อฟังแล้วก็จะตั้งใจฟังอยู่นะครับอื่เขารู้สึกว่าพอได้ไประโยชน์แล้วก็จากที่เขาเปไ็นคนอารมณร้อนที่แบบต้องเรื่องการเมืองถึงการเมืองเพราะเขาเห็นโทษในการที่แบบทําจิ์เราให้ลุ่ม น, น้อยเนี่ยมี่เขารังรับได้หมดในเวลาที่แบบปฏิบัติเรืองกัวผมมาก อ่าโอเคอืมอีกเรื่องหนึ่งคือตอนเนี้ยคือเมื่อก่อนผมนก็คนชอบชอบอพวกตักเครื่องพวกเอียรนะครับแต่ว่าพอเราอยู่ไปมาาแล้วก็รู้สึกว่าจริงแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรกับเราต้องตากหลักใจที่เราเรารู้สึกว่ามันมีพลังมากกว่านะครับแต่ว่าแบบเพืนน่อนส่วนใหญ่เลยว่ากลุ่มพี่ๆเพื่อนๆ ท, ที่กบเขาก็ยังแบบชอบในทางด้านนี้อยู่เป็นส่วนใหญ่ครับคือ เราก็มานั่งถามเออมันจะกล้วยทีแบบเราไม่ได้คือเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าเราเราไม่ได้ดูกล่าวตรงนั้นมากเท่าไหร่แล้วก็ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคบหาคนพบใหม่อย่าไปคบคนที่ไม่ไม่ไปในทางธรรมะ เขาคนที่ไปทางธรรมะแต่ไม่แั่ไม่ ม, แ ม, มีแต่ไม่มีใครเขาแลวันครับจะไม่มีใครเาวก็ก็ก็ก็ไม่ต้องขอบคุณใครพรเจ้าบอกถ้าคนดีเขาไม่พไปทางธรรมะเขาไม่ได้กับเขาอยู่กับคนเดียวอยู่กับตัวเราเองดีกว่าอย่า น, น้อไม่มีใครดึงาไปทางก็ก็ก็ก็ เอาคำมาที่อาจารย์มาเตือนเป็นตลอดครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของผมเอาพอดีผ ม, มีเห็นรายชื่อของอาจารย์ครับอ่อไปเหมือนนิมนเชิญไปที่ซีนะครับวั น, นตอนเป็นในสานไม่ทราบอาจารย์แล้วกัเราเราก็ <ๆ S 1> ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพอดีมีคนก็ส่งมาทักถามดูนะวเราไม่รู้เรื่องไม่ไปไหนหรอกไปทําไมเราตอนทีพทุกสิบอาจารย์เข้าใจผิดแต่ว่านราจะให้เกียรตอาจารย์กกว่า เาอาจจะเห็นว่าทา่านอย่าเราเคยอยู่กับหลวงตาด้วยกันเข่ก็เลยคิดว่าเราคงจะไปเรื่องอนุโมทนาอะไรกับท่านแล้วไม่เคยไปไหนละงานของใครก็ไปไปครับขาะงานหลวงตายังไม่ได้ไปเลยก็ใจไม่ม ไ, ไหวใจเพื่อนเราคนเี้ตบอกแบบเนี้ครับเราใช้ปัญญาคิดอยู่เลย รเราเกิดเป็นไงของใครนะไม่มีแล้วแต่ว่าแต่ว่าผูดมไม่เกิดแต่ว่าใครใครที่เขาดูอยู่เราท่านจะไม่ทราบครับเรื่องสิ่งประดานี้ครับโ <Okay. S 1> ครับผมได้ขอให้ผมได้ไปไ ป, ป, ไไปฏิบัติกราบขอบพระคุณมากๆอาจารย์ไปปฏิบัติได้วหมอย่าไปงานพวกนี้นเสียเวลาเดีย๋ยวไปดูได้ประโยชน์หน่อยได้ประโยชน์หน่อยเดี๋ยวลองไปดูอาจจะแบบหน้าหน้าจะดีเพราะว่าท่านก็อายุพัรษาสูงที่สุดในภาคใต้แล้วครับชื่อสุเนศีรยู่ครับอือ โ <Okay. S 2> อเคออกไปเมาหน้าอีกคั้งดีไหมซอขยได้ไปแล้วครับ okay. อคใคที่คนที่พรวันตต่อคนที่พรวันอยู่ที่ไหน เ, เปิดไม้ก่อนเปิดได้ไหมอยู่มุมซ้ายน้าของจอโอเคดูได้เลยขอพสมีการจ้าค่ะฟาจันหลงพอโยมยูรัตไอดาโฮค่ะเ <I know. S 3> มืองคาค่ ะ, คะ ันที่เกิดเข้ามาครั้งแรกใช่ไมหรอหลายครั้งไหมอืมเป็นครั้งแรกค่ะคแล้วไปตักบาตรพระอาจารย์สองครั้งเมื่อสามต่อวันที่กลับไปถึงงานแล้วโหเด่วขนาดไหนนะค่ะกลับมาเรียบร้อยแล้วค่ะอืมเป็นยังไงมีอะไรไหมก็ฟังฟังของพระอาจารย์มาระยะหนึ่งคำถามไม่มีค่ะมีแต่ เข้าใจว่าตนเองต้องฝึกหัดปฏิบัติมากขึ้นสือถ้าจะถามมันก็เข้ามาที่ตัวค่ะว่าเราฟอร์มหรื อ, อยังไรเนี้ค่ะแล้วคาตอบมันก็มีก็คือตนเองทั้งหมดอะค่ะก็ยังไม่มีคําถามเจ้าค่ะหลวงพ่อเราพยายามศึกษาไปเรื่อยๆถ้าพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะไปได้เจ้าค่ะ ปฏิบัติ่องง่าน้อยก่อนก็ได้ไม่เป็นไรับมันต้องเริ่มจากน้อยไปหามากกันเจ้าค่ะเอาทำให้นั่งทุกวันนั่งวันว่างวันไหนเวลาไหนว่างก็ลองนั่งดห้านาทีสินาทีได้เลยดีเราไม่ได้นั่งเจ้าค่ะเนี่ยทไปแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปของมันเองเจ้าค่ะทําไม่นะถ้าให้เริ่มนั่งมันก็มันก็มันก็ไม่เล่มันก็ไม่ได้นั่งนาทีเจ้าค่ะโยมเท่าที่ผ่านมายอม เหมือนจะใช้จิตตะพอนาค่ะเช่นซักผ้าเดินออกจากรถขณะที่เดินอยู่ในบ้านทำความสะอาดบ้านก็ดี ก, ก็ดนมีสติเล็กสติเร้ยกว่าการเจริญสติเจ้าค่ะก็ต้องเวลาว่างาลองนั่งดูลองหายใจเข้าออกแทนนะต่อจ้ค่ะ มันจะได้สงบมากยิ่งขึ้นความสงบที่ได้จากการเจริญในอริยาบถต่างๆนี้มันสู้เวลาที่นั่งไม่ได้เจ้าค่ะลองทำดูนะ้องเริ่มทำาแลละเวลามันใกล้จงหมดนะรับถอยหลังได้นะเข้าหนาวขอบคุณเจ้าค่ะในไปที่ทนต่อไปคุณสุภัฒนา Yeah, อากมาวิ่งชวนเลยการมาสังรรคอาจารย์นะคะกเ็เมื่อเมื่อเมื่อสองวันนี้เจ้าค่ะพอาจารย์กําลังเหมือนกับเราเร า, เราดูตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะกําลังทําความสะอาดอยู่แล้วเหมือนกับไปเห็นความคิดว่าตัวเองคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปตําหนิใครนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่ามองแล้ว นมันมีอีกตัวหนึ่งมาบอกว่าไม่ควรจะคิดอย่างนั้น <S <S แล้วก็เหมือนกับบอกว่าพระอาจารย์ไม่ให้ให้ให้สอนใจว่าไม่ให้คิดไม่ดีแล้วเราก็เลยรู้ว่าตัวเองกำลังคิดไอ้ตัวตัวที่ที่เห็นว่ากาลังคิดนี่เป็นตัวรู้ใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นตัวเราเองไปไปเพราะว่าเพราจะท่องอยู่ตลอดว่าว่าพระอาจารย์ไม่ให้ให้สอนจัดสอนใ จ, นใจว่าไม่ให้ไปว่าใครไม่ให้ไปหนิลอะไรอย่างนี้นะคะอาจ<ข>ารย์ มันก็คืออแรกๆตัวปัญญาตัวปัญญาตัวรธรรมะตัวธรรมะพอพอพอคิดอย่างนั้นได้ก็ก็ไม่ได้มองตรงความคิดก็กลับมาอยู่ที่ที่กําลัง<อ>ทํางานทําำทำความ<ช>สะอาดอยู่น<ช><ช>ะคะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อวันพั้นได้ฟังธรรมพระอาจารย์พระอาจารย์สอนว่าเ อ, อพระอาจารย์เทศว่า ในสมัยพุตธกา์มีคนบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมเสร็จแล้วก็มายุค ป, ปัจจุบนันคนฟังธรรมจะไม่บรรลุธรรมเพราะมีสติไม่ตั้งมั่นอันนี้ก็มามองเห็นตัวเองว่าเพราเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เลยก็เลยเห็นว่าสติมันยังไม่พอความสมาธิยังไม่พอตรงนี้ก็จะเพียรเพิ่มขึ้นเจา้าค่ะอาจารย์ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงพักดันตัวหนึง่งนะคะอาจารย์ใช สาธแล้วค่ะสาธุพยายามทําต่อไปสตินี่สําคัญที่สุดนะต้องค่ะได้สติแล้วสมาธิและปัญญามันก็จะตามมาต้อค่ะสาธเจ้าค่ะพระอาจารย์อสบที่คุณหมอภาสนาบอทมรตอนนัมาการอาจารย์ค่ะก็กลับมาเรียบร้อยก็สรุปว่าได้ขอหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้อยู่หลวงพ่อบอกว่ามันไกลไป แต่ว่าให้อยู่ค่ะก็คงต้องปฏิบัติระหว่างนั้นก่อนแล้วก็ตอนที่ไปสามวันนี้ก็คือขอหลบข้ออยู่แบบว่าไม่มีน้ําไม่มีไฟแล้วก็อาหารอะไรก็ได้เขาบอกเดินกลับเดินหลวงพ่อว่าขออยู่แบบเนี้ยนะคะว่าอาจารย์ได้ลองได้เดินในป่าเลยนะว่าอาจารย์ป่าบนเขาดีมากเลยค่ะเดินตอนเทียงเที่ยงมีแดดมีอะไรก็รู้สึกสงบค่ะอาจารย์เจอบททดสอบเจอเออ เราจเลยไม่ตาใช่ไหมคเอาขนมอะไรไปให้ตอนนี้สุนัข ก, ก็เป็นเพื่อนกมดแล้วกําลังนั่งตอนอง น, นั่งสมาธิหน้าบ้านนะ่พระอาจารย์ก็เจอหูเห่าตัวใหญ่กว่าข้อมือพระอาจารย์เล้งเท่งเลยค่ะต่อใจไม่กระเพื่อพระอาจารย์ก็ดูก็รู้สึกว่าเอยเราต่างคนต่างแต่เราอยู่ด้วยกันได้เพราะที่เป็นปีปาก ข, ของเขาเราแค่มาอาศัยแต่ว่าสุนัขหมาเนี่ยพระอาจารย์มันก็คงรักเราอะ่ะมันก็เลยไปกัดหมูห่าตอนนี้ก็เลยเห็นเลยว่ามันสามชีวิตเนี่ยมีสติร้อยเปอร์เซน์แบบคือแบบ งูเห่าก็จ้องหมาหมาก็จ้องคือแบบมันสามคนมันอยู่ ใ, ใกล้ๆกันนะพระอาจารย์ก็พยายามจะช่วยหมาคื อ, เอจเอาขนมให้หมาหมามันก็ไม่รับหน้าที่อ่ะพระอาจารย์แล้วสุดท้ายพี่เขาเห็นพี่เขาอยู่บนบ้านเขาเห็นเ้าก็เลยโทรเรียกคนมาจับแต่เราเห็นเลยว่าอืมสติมันสติร้อเปร์ซ็นเป็นยังไงอ่ะพระอาจารย์ตอนต่อสู้สามชีวิตเนี่ย <laughs> <laughs> <laughs> เห็นแล้วหมาคูเลือกคนแต่ไม่พระอาจารย์ไม่เกิดเพลียค่ะเนส ขอท่านอยู่นานไหมจะไปขอท่านอยู่นานไหมหนึ่งเดนค่ะพระอาจารย์าาที่พระอาจารย์บอกเอออดือนหนึ่งเหมอนค่ะขอเดือนหนึ่งไปคนเดียวนะจะขับรถไปคนเดียวจะต้องเข้าพรรษาค่ะอางทีเีาบอกไปให้ให้ให้มา ก, ก่อนที่หมายถึงว่าคือก็ราเยี่ยมท่านว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าจะไม่ทำก็คือทําตลอดทุกเดือนอะยู่แล้วแต่ว่าขอพระพรรษางดแลว้วก็ขออยู่ในที่บอกว่าอยู่คนเดียวนะค่ะพระอาจารย์ก็ดีเลยอุ่างนีติดกันเยว ชาวเวียนนามที่เคยไปอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาเนี่ยกลับมาเจอเจอกวียนเนี่ยค่ะเจอเกวียนเขาอ่าเนี่ยเกวียนก็เกวียนก็อยู่บนบั๊คือวันท่านี้มาเนี่ยแน่นอนบนบนบ้านเจอเกวียนค่ะเขาก็มาอยู่เขาก็ดูมีความสุขขึ้นนะคะพระอาจารย์ตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยเลยยุคมาอยู่อ่ะกลับมาอยู่อ่าไม่ได้ชมข่าวเลยอามกลับมาอยู่แล้วก็เอาเขาฝากเลยค่ะเขาฝากกล่าวขอพระคุณพระอาจารย์มาเขาถามเขาว่าจะฝากอะไรไหมเขาบอกเขาฝากกลับอาจารย์เขากลับมาอยู่เป็นจะเป็นเดือนอะไรมั้งคะ แล้วเขาก็จะไปเดือนเก่อนเมษาค่ะประกับก่อนเมษาประกาศค่ะวีซ่าเขาหมดอ่าวีซ่หมดใช่ค่ะก็ทํากับข้าวทาอะไรก็ดูมีความสุขขึ้นค่ะอาจารย์ตอนนี้ไม่ไม่หมดดูดีค่ะแล้วก็ที่นู่นก็โอเคพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์เอพระอาจารย์ริพนให้อนุญาตให้อยู่กุฏิคนเดียวได้เนี่ยแบบมีความสุขเลยค่ะมาจากด์เรื่นึ่งะ อาจารย์เแล้วสงบกว่าถ้างสงบมากเลยค่ะพระอาจารย์แดดเดิรก็ไม่รู้สึกเลยเลยพระอาจารย์รู้สึกดีเป็นป่าป่าจริงๆเป็นทางดินเลยนะทางดินเลยไม่ใช่ลมอย่างเดียวเป็นทางดินเตินในป่าเลยพระอาจารย์นัน่งปฏิบัติต้องเดินตายอยู่แบบเดินตายให้ได้ค่ะค่ะก็ขอแม่ขอเดินตาย <laughs> เพราว่าตั้งใจปฏิบัติมากพระอาจารย์คะแล้วขอขอบคุณพระอาจารย์มากเลวันลังคาที่พระอาจารย์เทศอ่ะช่วงรีไปฟังที่นคือรู้สึกว่าก็ฟังพระอาจารย์มันรู้สึกว่าแบบบทธรรมที่พระอาจารย์เทศเนี่ยมันแบบมันลื่นเราในบทธรรมมากๆฟังตั้งใจสติสอดจ่อฟังไปฟังมาอุ้ยมันแบบสติมันลงเลยพระอาจารย์มันแบบว่ามันลงอวกาศเลยคือจากฟังธําพระอาจารย์มันเหมือนก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับมันเป็นบทเหมือนเป็นบทที่เรารู้แทนที่จะดูลมก็คือกลายเป็นฟังพระอาจารย์แทนใช่ไหมพระอาจารย์มันก็ลงไว้ได้ดีใช่ไหมคะอืม เวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังไม่ต้องไปดูลงไม่ต้องพูดถงตั้งตั้งใจฟังพระาจารย์เนยมันก็มันสติมันลงไม่ได้แบบมันมันมันจิตมันลงไปเลยพะอาจาคือฟังพระอาจารย์ทุกครั้งฟังเรื่องหมดเลยจนกระทั่งพระอาจารย์เทศลงถึงนะตาเนี่แบบมันลงจิตมันลงไปด้วยกับกับที่พระอาจารย์เทศเลยงงผมจิตมันลงไปแบบดีมากมาเลยค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณอาจะรู์จะมาดูทำอาจจะมาดูทำแล้วก็ได้นะโอ้ เปนลวงบอกต้องมาฝอคุณพระ อ, อาจารย์นะบ่า <c oughs> เอ้ยบอกเข้าใจที่หลวงหลวงตามหาโวโรบอกว่ารอฟังทำหลวงปู่มั่นน่ะฟังแล้ลลลอออวมันรึหลวงปู่แบบพูดดีมากเลยพระอาจารย์แบบโคตรแบบขอพระอาจารย์ขอขอบคุณแต่ว่าตั้งใจทำพระอาจารย์ทําจนตายทําให้ได้ทำ เ, เลยทำเลยตอนนี่็อย่าทิ้งนะนนันให้ก่อนจะไปก่อนจะไปก็ทําที่บ้านไปก่อนค่ะทำที่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ากต่ว่าวถ้ามันมีวันตอนนี้ถ้ามีช่วงวันไหนที่อยู่ใต้ก็จะแวะไปวัดเลยค่ะก็อาจจะ ไปอาจจะไปท้ามันต่อไปกราบเรียนค่ะอาจารย์บุญมีด้วยนะก็ต้องไปขอบพระคุณเพราะสามพระอาจารย์ที่พรอาจารย์แนะนำรู้สึกว่าเป็นบุญคุณมากๆเลย ค, ค่ะโอเคอพคุณอจาย์ <st> ี้คุณยินดีแคนเซสเมืออะไรนะ่เร่ลแคนเซสเมืองอะไรเออมพอร์เร <im po> ียค่ะท่านอาจารย์ <ria> อยู่ใกล้วิชิตา <im po> <ria> ะ่ะเออขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอะค่ะชั่วโมงสิบห้านาทีอ่ะอยงแต่วิชิตา่ะ ใช่ใช่ใช่ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็สนามบินที่ตึงที่นั่นนะคะเมืองใหญ่ก็คือวิชิตาที่เราอยู่ใกล้ที่สุดอย่างนีก็มีมีเ อ, อ, เ อ, อโทเปกาโทเปกาๆๆประมาณ <ๆ S 2> ค่ะ <ๆ S 2> ก็ประมาณสี่สิห้านาทีที่ใกล้ที่สุดแต่แต่สนามบินที่ ว, วิชิตาค่ะท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยวเดือนมีสานก็ จะไปกราบท่านอาจารย์กั น, กนค่ะท่านอาจารย์ก็เดือนหน้าไม่ไม่ไมนานค่ะอีกประมาณสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเจอ <Okay. S 1> ท่านจะได้และเดวิดก็ปากกราบเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอกุก่ค่ะท่าอาจารย์ขอบคุณเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์อคุคออมนํามาตน้องาอยู่บ้เว นามาสการ์ค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคมีแต่คำตอบนะค่ะตอบยังไม่ได้จองกะโอเคค่ะที่น้องน้องแนนคุณแนนน้าแม่สกา์ค่ะพระจาวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคนไปต่อเป็นคนที่ิซาเอลเอเจอฟูลที่เล่าได้ข่าวใช่ไหม กลับนะชาพระอาจารย์กลับนวัสนการพระอาจารย์ค่ะผลเยอะเลยค่ะปีนี้เห็นท่วเยอะเห็นท่วเยอะแถวเซนต์โคล์คาลิฟอร์เนียที่นับท่วงเนตัวใหญ่ใช่ไใช่ค่ะเถาน่าจะเป็นทางโซนที่พทางซานโฮเซใช่ใช่ที่พระอาจารย์เพราะว่ามันคงเป็นเป็นที่ลุ่มใช่ไหมคะใช่เป็นที่ร่มเป็นแดดที่ เป็นฟาร์มเยอะอะค่ะตรงนั้นนะคะแล้วก็ใช่ค่ะก็ไคลเมชช์เเทนตามที่พระอาจารย์บอกอะค่ะ<ม>อนัตตาค่ะพระอาจารย์<ม>ค่ะก็วันนี้ลูกก็ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะมีนิดเึงก็คือคือตอนเนี้ยคือลูกเหมือนจะติดติดสุขจากการนั่งสมาธิอะคะ่ะแล้วเวลาแบบ อ, อย่างปกติลูกจะนั่งเช้าเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือ ใจมันอยากจะนั่งตลอดเวลาเราก็เลยพยายามแบบเคลียร์แบบเคลียร์งานบ้านเคลียร์ทำกับค่ายมาเร็วๆอ่ะแบบแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เรื่องทานแบบสามโมงหลังจากสามโมงก็ไม่ทานละทานสองมือพอค่ะแล้วก็เ <ừ> วลาค่ะพอว่างลูกก็แต่ก่อนลูกก็จะเป็นคนเยอะนิดนึงก็แบบจะน่องนั่งตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ค่ะก็อยากวางก็นั่งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอพอมีความรู้สึกว่าก่อนจะนั่งตอนเนี้ยเหมือนจิตมันโปรงนิดนึงค่ะว่าแบบ โอ้รู้สึกแบบมันเหมือนมีการกดปกติดูจะดูลมหายใจแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะนั่งพัพองจะเริ่มดูลมหายใจแล้วจ่จย จ, จิตมันจะปรุงนิดนึงค่ะว่บเหมืนอนกับอืรู้สึกแบบเออทําไมเรามีความสุขจังเลยรู้สึกมันสงบอะไรเงี้ยอันนี้มันมันไม่ควรหรือว่าจะได้อ่ะค่ะพ่ะ<ร>อจิตควรควรควรจิตสมาธิก่อนในเบื้<ร>องต้นเราต้องเราต้องพยายามจิตสมาธิเพื่อให้ถ้าเราทิ้งความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายให้ได้ก่อน อ๋อได้ใช่ไหมคะไ ม, ไ, ไม่ผิดใช่ไหมคะ ท, ท่ทจะ น, นั่งนั่งดูหนังดูแนบเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิแทนท่นที่จะ ไ, <ป S 2> ไปกินขนมท่านที่จะไปกินขนมไปดื่มเครื่องดื่มก็มานั่งสมาธิแทนอย่างนี้ไม่ไม่ผิดนะค่ะไม่ไม่รู้ไม่ดูหนังคะ่ะแต่ว่ามันมันชอบเหมือนกับจิตมันจะปรุงอะคะ่ะว่ามันมันคงแบบมีความรู้สึกแบบมันสงบจริงๆอะคือก่อนก่อนที่จะนั่งลูกก็จะชอบแบบเหมือนแบบก่อนที่จะดูลมอ่ะมันเหมือนมันจะแบบมีการแบบ หายใจนิดนึงแล้วก็จะแบบจิตมั น, มนมจะปรุงว่าเออเรารู้สึกสงบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าลูกความรู้สึกของลูกรู้ว่ามันช่วยลูกนะมันเหมือนเป็นการพ<ม>ุชเป็นการแบบสร้างแพชเช่นให้เราอ่ะค่ะก็เลยมาก็เคยมาถามพระอาจารย์ว่ามันจะดีไหมเรื่องต้ น, น, น, นเราต้องสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ก่อนเราจะได้ทิ้งความสุขในรูปแบบเก่าไป ค่ะอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะแค่นี้ก็ยังเพียรปฏิบัติอยู่แต่ต่อไปต่อไปพอเราชำนาญการสมาธิเราก็ควรที่จะกดคิดทางปัญญาด้วยที่ปล่อยวางทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของเรานี่ค่ะอาจารย์จะเป็น อ, อีกขั้นระดับระดับปัญญาแต่ก่อนจะไปสู่ระดับปัญญานี่สมาธิของเราต้องต้องมั่นคงก่อนชำนาญอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้ อยากจะสงบเมืม่อไหรสมม่สงบได้ดลูกก็สาวาดฝันไว้อย่างนั้นนะค ะ, ระเราชนระนานนสมาธิแร้วก็เาล า, าที่ไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ฝึกทำปัญญาแท อ, อันนี้จะฝึ ก, กสติแล้ว ก, ก็ฝึกทำปัญญาคิดว่าทุกอย่างมันของชั่วกลาวไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของราตัวเปล่าๆต้องไปตัวเปล่าๆค่าพระอาจารย์ร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะต้องตายมันจะต้องเจ็บมันต้องแก่ ค่ะพระอาจารย์ลูกจะละน้ํานําไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์โอเคแต่เป็นสมาธิไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไรเแต่ว่าถ้ามันชนานาญแล้วก็ต้องไปไปไปเรียนทางด้านปัญญาด้วยนะนี่อย่าทําแต่สมาธิอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์แต่ลูกยังไม่ทํานานขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าคือถ้าตอนนี้ลูกไม่ได้ทํางานคือเวลาว่างก็อยากจะนั่งตลอดเวลาคะ่ะอาจารย์ได้ น, นี้ไม่เป็นไร เอาฐานสมาธิให้มั่นคงก่อนให้แน่นนเราจมาที่นั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยนั่งปุ๊บห้านาทีก็สงบโอยยังยังไม่ขนาดนั้นนะคะพระอาจารย์มันบางครั้งมันเป็นบางวันมากกว่าแล้วแต่อารมณ์ของแต่อารมณ์ของแต่ละวันวันนั้นสติเรายังไม่มั่นคงต้องฝึกสติไปก่อนค่ะพระอาจารย์ดก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะกลับสาธุค่ะพระอาจารย์โอเคไปที่ท่านต่อไป ที่เท็กัสแล้วคุณสรต้าใส่เสื้อ UMC เนี n c น่ยกับามาสการพัฒนาเจ้าค่ะ University ล้เจ้าค่ะจบที่ University Northern of เอ่อ Northern Colorado เจ้าค่ะ n o r n u c เหมือนกัน u c เหมือนกันจริงๆ U N C O เจ้าค่ะแต่ก็เรียก U N C U N C แต่ก็จริงๆก็ U N C O Not ตเตอ o ์น r อ t โรเจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะมาสัปดาห์นี้มาอยู่อ่ะอุทยานของรัฐเท็กซัสเจ้าค่ะ State Park. เมริเดียนสเตทพาร์กอ่าอลังการเต้นอยู่เนี่ยการเต้นอยู่นี่ลูกอยู่ในเต็นท์สามีอยู่ในทล่รถบ้าน เ, าเขาจเจ้า <laughs> เราแยกอะไไงบรรยากาศดีไหมยอยู่ข้างนอก เ, อเขาทำงานของเขาลูกก็ทำงานของลูกในเต็นท์เจ้าค่ะ แล้วค so so okay. ่ะก็ก็ออกมาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ค่ะก็เห็นจิตมันมันก็ฟุ้งมันก็ฟุ้งกับตื่นเต้นที่ได้ออกจากบ้านนะเจ้าค่ะมันก็ฟุ้งแต่ก็แต่ก็อยู่กับพยายามอยู่กับพุทโธเจ้าค่ะเออไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเไปที่อาจารย์จ่ายทิศจ่ายทิศนี้นี้นี้นี้โรงเรียนนี้หายไปไหนมาไปตามผมมาเลยงานเยอะค่ะอาจารย์หลับ ตัดผมค่ะตามทรงผมตามใจช่างค่ะพระอาจารย์ช่างตัดเงยหน้าดูโอ้ท่างก็เดิมแต่เรไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์เบาส่ายอนนี้ไม่ต้องคอยกังวลกับเรื่องวีเวรกัมากมายตัดผมแล้วก็ปุ๊บแพงเลยค่ะแป๊ะเดียวค่ะพระอาจารย์คนอื่นก็ชินให้เขาชินไปไม่สิทบอกว่า อาตรงนี้หนูก็ชินแล้วค่ะอาจารย์ mm hmm. ค่ะก็ยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกเรื่องที่พิจารณาความแก่ความตายความพัดภากแล้วก็อะไรพวก น, นี้คะ่ะ mm hmm. มันก็ยิ่งทำให้ใจมันเบาขึ้นได้เรื่อยค่ะพระอาจารย์ยอมรับได้มากขึ้นอ่าเดยบายคุณพ่อได้ไง uh hmm. <laughs> คุณพ่อคุณพ่อก็ไปทุกวันไปนอน uh hmm. บ้านสวนทุกวันแล้วก็โอเคแต่คุณพ่อ คุณพ่อดีมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนไม่สนใจธรรมะเดี๋ยวนี้เปิดเทปธรรมะฟังก่อนนอน<ช>แล้วก็ฟังแล้วซื่นใจแล้วก็เลยเห็นแบบเออเห็นทาง<ม>ที่ดีของคุณพ่อก็อนุโมทนาบุญด้วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนเลยค่ะพระอาจารย์<ม>เราไม่เป็นเจ้าชีวิตใค<ช>รคุณพ่ออยากทําอะไรก็สิทธิของคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะ<ช><ช>เราไม่ได้อยากหวังว่าเขาต้องเป็นเหมือนที่เราอยากจะให้เป็นอะ<ช><ช>ไรเงี้ยมีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไป ใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์มีหน้าที่วันไหนกลับมาก็ดูแล<ม>ท่านให้ดูแล<ม>แค่ไหนก็ดูแลเท<ม>่าที่ท่านให้ดูแลอะไระอย่างเงี้ยค่ะอยาไปสักท่านอยาไปบังคับท่านแต่ละวันก็มานั่งอยู่เป็นเพื่อนท่านท่านก็จะมาคุยธรรมะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็ก็ก็คุยแล้วก็แยกย้ายได้ลงชุมชนไปเจอคนคนแก่ที่แบบก็เห็นภาพด้วยค่ะพระอาจารย์<ม>ก็คือสามีเสีย ลูกไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มองเห็นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คิดถึงนะอนาคตของเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ค่ะหนูก็บอกว่าโอ้หนูก็คงจะเป็นเหมือนกันเพราะหนูโสดแล้วเขาก็นอนติดติดเตียงเพราะว่าใจคงไม่สู้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยได้ไปให้กําลังใจเหมือนได้คุยธรรมมาเขาด้วยเขาเป็นอาจารย์สอนสอนธรรมมาด้วยค่ะอาจารย์แต่ไม่ไดปฏิบัติแต่ไม่ไดปฏิบัติว่นี้ ค่ะก็เลยว่าชว่วงนี้ละ่ะค่ะอาที่สอนคนอื่นมาปฏิบัติเขาก็เขาเหมือนก็ได้คุยกันเลยค่ะพระอาจารย์เขาก็ดูได้กําลังใจแล้วก็พระอาจารย์ให้ปล่อยวางหนูก็ก็ปล่อยได้ได้หลายๆเรื่องเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยอยุ่งเรื่องของชาวบ้านชาวช่องอไม่อยากดูเรื่องอของชาวบ้านชาวช่องเหมือนเดิมไม่เฟซบุ๊กก็นานๆเข้าทีแล้วก็ไม่ค่อยอ่านข้อความของใครมากค่ ะ, อ, ะอ่านไปก็ทุกใจเปล่าเปลา บางแก้มันก็กระทบกระเทือนแบบโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ดีกว่าอะไรเงี้ยคะ mm ่ะพระอาจารย์ค่ะก็รักษาใจแล้วก็นั่งสมาธิคะ mm ่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้สินแปด้อยลงหน่อยคะ mm ่ะ hmm. พระอาจารย์หิวข้าวทำงานเยอะ mm hmm. <laughs> น่ากลมอีกแล้วคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็พมื่อวานหนูไปมีอาการปวดเอวแล้วก็ปวด พอตามข้อมือค่ะพระอาจารย์เลยเอ๊ะมันเป็นนานรับไปหาหมอดูสักหน่อยเอ็กซเรย์ดูค่ะพระอาจารย์เมื่อ ว, วานปรากฏว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทแต่ก็เฉยๆนะคะพระอาจารย์แล้วก็อ๋อเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเออเป็นก็ก็เป็นอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกว่ากังวลใจถือว่าไม่ได้อะไรกับกับกับสิ่งนี้เลยค่ะพระอาจารย์ดีรักษาได้รักษาไปไม่ห้าม ก็เลยกายภาพตัวเองตามท่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอสองอาทิตย์ให้ตัดสินใจว่าจะผ่าตัดไหมแล้วก็โอ้ไม่ขนาดนั้นก็เลยไม่ถึงถ้าถ้าจะเป็นพิการก็ก็คงไม่ผ่าค่ะอาจารย์แต่คงไม่เป็นถึงขั้นนั้นก็เดี๋ยวรักษากายภาพเอาค่ะแต่ใจก็ไม่กังวลอะไรค่ะอาจารย์ก็เฉยๆกลับกลับมาดีดีมากทำต่อไป สมาธ<ช>ินี่อยากเท่งนะลองพยายามนั่งสมาธิให้ได้เรื่อยๆนะสมาธินี้เป็นเป็นเหมือ น, เ ป, นเป็นที่พักใจเป็นที่ให้กําลังใจครานั่งก็ตัวนิ่งๆเหมือนเดิมเลยค่ะพระอาจารย์ตัวจะตรงแล้วก็ออกมาแต่ว่าพอออกมานี่คือขาชาขาไรความรู้สึกต้องแบบต้องรอค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ถ้าเ<อ>วลวาร่งกายมันก็อย่างนี้แหละไม่เที่ยม โอเคยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ ะ, ะอาจารย์คุณตายที่พัทยาต่อคุณตายตอปไปจัน้องกลับนมัส ก, การท่านอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์อตามคำว่าแยังยังยังอยู่ก็ ต, ตายก็ก็<อ>เป็นเต่าตามที่ท่านอาจารย์ได้เห็นนะคะ<อ>ต้องให้ยังเรียนอยู่เรื่อยๆแต่ก็ ม, มันมันเหนื่อยมันก็เลยไม่ค่อยได้นั่งอะคะ่ะแต่ว่าจะพยายามเจริญสติตั้งแต่ตื่นนะคะออตื่นขึ้นมาก็พุดโธก่อนแล้วก็ใช่ค่ะแต่ว่าพอทํางานมันก็ไม่มีเวลาใช่ไม่มีเวลาตร<บ>งนั้นก็ต้องยอมไปก่อนค่ะก็ถ้าก็ใจเย็นขึ้นเยอะทําอะไรก็มีสติมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าตัวเองดีอยู่คะ่ะ เจริญเจริญก้าวหน้าไหมก็คิดว่าเจริญก้าวหน้านะคะพระอาจารย์ดีกว่าก่อนดีกว่าก่อนนี้ก็ก่อนที่จะมาคุยกันนี่ตอนเดี๋ยวนี้มันยันดีกว่าเยอะนะได้ค่ะพระอาจารย์ดูอะไรผิดดูอะไรถูกเยอะขึ้นนะค่ะก็ก็อยากอยากเป็นเด็กดีเหมือนพระอาจารย์นะของพระอาจารย์น้องค่ะทุกคนก็ดีขึ้นกันหมดเลยเราจะล้าหลัง มันก็ไม่น่าใช่ไหมคะ <Okay. S 2> อาจารย์ก็ห้ายากอดสิตัวเองอยู่ค่ะดีคำามต่อไปนะอขอบคุณมากค่ะาาอาจารย์คุณจันนี่แบงค์คอร์ันนี่คอร์ทมองกัมนำมรสการค่ะอาจา ร, รย์วันนี้เข้ามาร่วมฟังค่ะไม่มีคาถามค่ะอ okay. ยังไงไปเคุณมาลีวุธาการอยูังทนแง่วุฒากาศอ้โหุธาการาก า, รากหวงพ่อคอ อันนี้ก็ไม่ไม่มีคำถามอะไรค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะลวถ้ามีโอกาสก็เพิ่มเพิ่มจำนวนเวลาเพิ่มเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดคะคะเออเอาให้เต็มที่เลยเหมือนปลากระป๋องเลยอัดเข้าไปเหมือนอัดป้ายกระป๋องเลย จ, จ, จัดเต็มว่าหลวง่จัดเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงก็ได้ค่ะ ถ, ถ้าถ้าสมมติว่าเรานั่งถูก แล้วเวลาเราสมมติเรานั่งนานๆออกมาเนี่ยมันก็ปกติมันไม่ได้มีอาการเจ็บปวดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยถือว่าโอเคใช่ไหมคะหลวมันจะปวดก็ได้ไม่ปวดส่วนใหญ่ถ้าปวดแสดงว่ามันไม่มันมันมันไม่ค่อยสงบมันก็จะปวดช่วแต่ถ้ามันร้ามันสงบกนี่ยมันจะไม่รู้สึกอะไรอะไรช่วงที่เรานั่งอยู่่ะมันมีเวทนามีเวทนาอยู่ค่ะหลวงก็แต่พอข้ามไปแล้วเงี้ยมันก็ก็ปกติแล้วพอเรา เราออกมาแล้วอะค่ะหลวงพ่อมันก็คือมันไม่เหมือนตอนแรกที่หนูฝึกอะค่ะหลวงพ่อตอนแรกจะขาชาแบบจะเจ็บจะปวดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่พอพอจบแล้วมันมันเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแ่ะมันจะเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นประเด็นการนั่งนี่เราดูประเด็นคือความที่เป็นหลักของเราเรองค่ะหลวพ่อแล้วก็อออเออเข้าได้ไวไวขึ้นค่ะหนวพ่อไวแบบแค่ ใช่ใช่ใช่คหลวงพ่อแค่นึกนึกนึกเหมือนว่าเออเนี่ยให้ให้สงบหยุดคิดอะไรแค่นี้ค่ะหลวงพ่อก็ไปไปยาวอย่างนี้ค่ะนานในสงบได้นานค่ะแล้วก็อันนี้ใกล้แล้วค่ะวันที่แปดถึงสิบสองหนูจะไปซึ่งเขาค่ะหลวงพ่อโอเคเลค่ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะการไม่การไม่ทำการจะไปททำอะไรบนเขามีอะไรพิเศษไหม พี่ว่ามีค่ะมีล <Yes. Okay. S 2> ค่ะจัดเต็มค่ะหลวงพ่อเต็มนะโอเค่ะหลพ่อส า, สาธุของพรคุณหลวงพ่อนะคะ <Yes. S 2> สาค่ okay. คุณปรางวะลายสามสี่ยอยอมห ย, ยุดเย็นแล้วก็ยิม้มยิ้มแล้วเจ้าค่ะยิพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ่อพอดีที่ที่หนูมที่เรียนกับพระอาจารย์มาหนุมนก็จะ ความจำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเรื่องของคําศัพท์ของทางทางบาลีค่ะอย่างเช่นคําว่า <c oughs> อ้าลูร ป, ประชานกับรูกประชานแต่จาได้ว่าพระอาจารย์เคยสอนว่าพวกนี้มันจะเป็นพรหมกับเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะคือ <c oughs> ถ้าอยู่ในระดับรูกประชานลูกประชานนี่มันเป็นของพรหมที่มีรูปกับพรหมที่ไม่รูปรูปอะไรับพรหมกับรูปกับพ <c oughs> ร ถ, ปปถ้าได้รูปประชันก็ได้รูปประพมถ้าได้อารูปประชันก็ได้อารูปประพมค่ะเหมือนเหมือนเขา้าหนุกเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนที่ฟังเทปเอ่าเทปอ่ท ะ, ทะค่ะพระอาจารย์เคยพูดว่าบางทีนั่งสมาธิเราจะไปติดสุขกับอารูปประพรมอารูปประชนเนออารูปประชันอันนี้อันนี้คือคือแปลว่าอะไรเนะี่ยเจ้าคะขออภัยน้ำตัวเถอะก็ติดงไง ไม่ไปทางปัญญาไปทางมันมันติดอ๋ออ๋อใช้ปีศาจยาวแต่ยาวเอาแต่ข้าวนั้นหอกอากทารใช้สติอืมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าถ้าเราจะให้ให้มันออกจากตรงนี้ก็คือต้องใช้ออกมาก็คือต้องใช้ปัญญาเยอะๆใช้ปัญญาเวลามันอยากจะต้องการเข้าสู่ยุประชัยก็ไม่ต้องเข้านะล้วข้าแล้วมันติดนันเหมือนกับว่ามันต้องอาศัยมัน เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีรูปประชานก็นได้และรูปประชานก็นได้สำหรับคําว่าฌานกับญาณ น, นี่ก็คือจะแตกต่างกันใช่ไหมเจ้าค่ะญาณคือความรู้เห็นญาณอย่างรู้ญาณอย่างรู้ว่าได้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วอนีว่าญาณญาณคือความรู้ฌานอย่างรู้การรับรู้ฌานคือความนิ่งความสงบ อ, อ๋อค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ตอนแรกหนูก็ว่าจะถามไม่ถามดีเพราะตอนแรกหนูคิดว่าเดี๋ยวเอาให้ได้ก่อนแล้วคงจะรู้เองแต่ว่าก็มันก็เหมือนยังติดอยู่ค่ะก็เลยใช่วันนี้ทัเวลาเวลาได้ได้ตัวจริงมันไม่มันไม่ได้บอกนะว่าเป็นชาแล้วมันเป็นยาหรอมันก็จะเป็นไปตามอัตโนมัติใช่ไหมมันก็เป็นมันก็เป็นตามความเป็นจริงถ้าเป็นยาเาก็รู้อ๋อตอนนี้เราไม่ทุกกันเรื่องนั้นนนี้เรานี่อะไรกว่ายาอืมแต่ถ้าจิตนิ่งสงบไม่เป็นอุเบทขาก็เป็นชานอืม ค่ะกระจังเราจะาขาค่ะพระคุณเจ้าขาพระอาจารย์ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะอาบูชาคุณธนากรใช่คุณธนากรอยู่ที่ไหนเอนานักรครับพระอาจารย์อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอืมีอะไรไหมเออมีครับพระอาจารย์ก็ในช่วงวันเอปกติก่อนหน้านี้จะปฏิบัติด้วยการทําอานาปนสติกสมาธิก็คือรู้รวมหายใจเข้าออกเนี่ยครับพระอาจารย์ ในช่วงปฏิบัติก่อนหน้าก็มีอยู่มีอยู่พักหนึ่งครับที่ไปติดในสมาธิหนักๆแล้วก็มันไปเจอกับแสงสว่างในสมาธิหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อครับแล้วมันก็เห็นความเสื่อมของสมาธิแล้วก็เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาครับก็พอเข้าสู่สมาธิอีกครั้งหนึ่งครับก็มาเจอกับแสงสว่างตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าความ เรอบนี้มันเหมือนกับมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นครับประกอบกับเไปพบกับสื่อธรรมะตัวหนึ่งครับที่ไปพบกับคําว่ากระสินเนี่ยครับพระอาจารย์ไปเจอว่ากระสินแสงวิญญาณนะกสินอะไรพวกนี้ครับเลยมาขอความรู้แล้วก็ขอคําแนะนํากับพระอาจารย์หน่อยครับว่ามันมันจะเป็นอย่างไรบ้างครับคือคำว่ากระสินมก็คือการเพ่งเพ่งดูสินใดสิ่ง ที่เป็นสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวเนี่ยนยก็สิ่งครับเวลานั่งสมาธิการที่นเราจะเพ่งดูลมแล้วก็หลับตาแล้วนึกถึงแสงสีสีที่เราต้องการเนี่ยนะเช่นสีเขียวเนี่ยแว็กาของคุณนึกสีเขียวคุณก็หลับตาก็ให้มันโผล่ขึ้นมาในใจมีแต่สีเขียวใช้ใช้สติคอยคอ ย, คอยนึกมันว่ามั น, ม น, มนให้มันอยู่ตั้งอยู่ ในนี้จิตก็จะสงบได้กันสมาธิได้แค่นั้นเองคือการที่จะใช้ลมก็ใช้ใช้สีแทนใช้ใช้สีเขียวสีขาวสีเหลืองไปแต่เราต้องนึกถึงสีเหล่านั้นในใจของเราหลับตาแล้วก็นึกก่อนจะหลับตาก็มองมองสีที่เราต้องการจนึกก่อน ไ, ได้มองใบไม้ถ้าเรายังนึกถึงสีเขียวก็มองใบไม้แล้วสีเขียวแล้วห ล, ลับตาแล้วก็ ให้ดึงให้สีเขียวมันโผล่ขึ้นมาในใจเราแล้วก็พยายามให้มันอยู่ตั้งอยู่ไปเรื่อยๆไม่ให้มันหายไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกกระสินแมันจะยากกว่ายากกว่าดูลมเพราะลมมันม่อยู่ให้เราดูกระสินนี่เราต้องใช้ความคิดจินตนาการขึ้นมาบางครันต้องใช้สติมากถ้าสติไม่มากมันจิตมันจะไปคิดเรื่องอื่นแทนมันจะไม่มา คิดเร็นสีดังนั้นคนที่จะใช้กสินที่ว่าจะต้อง ม, มีมีสติมากแ ต, แต่เรื่องรนนางวันถนัดทางกระสินมาก็ใช้ได้อย่างเมื่อกี้ที่ที่เป็นคนถามบอกว่าจะชอบดูแสงกคิดแสงอะไรมองมองท้องฟ้าดัง น, นั้นก็มป็นเหมืกสินอย่างแต่ยั้นงก็เป็นกสินนอกแต่ต้องเดึงมันเข้ามาให้มันเข้ามาเป็นกระสินในต้องหลับตา พอาจไหมแล้มื่อใจเพ่งอยู่กับภาพนั้นสีนั้นมันก็สมองได้ดวมได้เป็นสมาธิขึ้นมาได้ครับครับผมพระอาจารย์เอ่อแลวเอ่อแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในผลทางของมรรคผลใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็เป็นมากเป็นขั้นของสมาธิเมื่อเราตามที่เรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนเหมือนขับรถเนี่ยตอนที่เราหัดคับเรื่องอะไรใหม่แล้วก็ขับ คำให้มันชํานาญก่อนคือครับพอเราชํานาญแล้วเราค่อไปขึ้นขึ้นทางดนะ่วนเข้าไปสนาคาแข่งอันนั้นก็เป็นขั้นปัญญาเราเริ่มมีการขับอย่างมีลวดลายมีมีมีพลอนความเร็วผ่อนความเช้าเร็วซ้ายเร็วขาหักลบอันนั้นมันต้องอาศัยให้ปัญญาขั้นต้นเราสมาธิก็ทาให้นี่ก่อนพอเราชํานาญเข้าออกในสมาธิได้แล้วขั้นต่อไป เวาเออกมาแทนที่เราจะใช้สติเราก็ใช้ปัญญาคิดความทุกอย่างไม่เทียงเช่นร่างกายเรามันไม่เทียงมันแก่มนนกันต้องก่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคอยคิดคอยเตือนไม่ให้มันลืมคิดไปไดเรื่อยๆในความมันจะไม่ลืมแล้วไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ปัญญาอันนั้นขั้นสูงสุดสมาธิยังเป็นขั้นกลางขั้นต่ำก็คือสิง ถือสิ้นห้าสิ้นแปดเข้าใจไหมนี่คือมกักสิ้นสมาธิปัญญาก็คือมากนี่ไงมากสูงผอน่คือนิพพานเข้าใจครับโอเคนะมีอะไรไหมอ่าไม่มีนะครับโอเคไปที่อเมริกาต่อมริเมแลนด์กรุงเเลนทอนมัสกการพารยาเจ้าค่ะ วันนี้อยมไม่มีคําถามค่ะยมก็สบายดีปฏิบัติทุกวันเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะยังทํำงานอยู่กับบ้านได้อยู่นะยังทําอยู่ค่ะโอ้ให้ยมก็ไปทําวันนั้นแต่ว่าขอไว้ว่าวันพุธยมทางานที่บ้านนะะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะช่วงนี้ก็ปฏิบัติต่อเนื่องก็มีสติดีขึ้นนะคะพราะมันไม่มีเรื่องกระทบแล้วมันก็ รู้สึกเลยว่าสติในระหว่างวันมันดีอะค่ะพระอาจารย์พอมันมีอะไรขึ้นมาผุดขึ้นมาในใจมันก็มีพุโทโธขึ้นมาตักขึ้นมาตัดอย่างนี้นใช่ อ, อยู่คนเดียวมีประโยชน์เปล่าว่าอยู่หลายๆคนในทางนั้ น, นทางสมาธิทาความจังงค่ะยมคิดว่ายมโชคดีที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่พูุกพ่านผู้คนไม่เยอะแล้วก็มีโอกาสได้ไม่ต้องไปยุ่งกับคนในออฟฟิศเท่าไหรอ่อะคะ่ะ น้องนันก็ไม่มียยังปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ครับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคสาธุได้ที่เป็นหมอหน้าทวีตทมหมอกรอบงานสการพระอาจารย์ครับปฏิบติหลักอ่าเวลาปฏิบัติผมก็จะมีพวกงานพวกอะไรเข้ามาก็จะดูนิดหนึงว่ามันจะทำให้ใจเราวุ่นวายหรือใจกราสงบครับ S <S เอาตัวนั้นมันเป็นตัวตัดสินมาให้ทําทให้เราวุ่นวายก็พยายามไม่ไปยุ่งแล้วก็แต่ถ้าต้องยุ่งก็ก็ทําตามที่พระอาจารย์สอนกันไปความจหน้าที่ไปความจำหน้าที่ไปก็คือมันเป็นความฝันแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็วางมันเพราะว่าก็เป็นฝันนันหนึ่งครับคราว น, นี้อ่าพอดีตอนนั้นก็มาได้ฟังปัญญพุโทโธว่าเอ๊โลกทั้งใบก็เป็นจิตอยู่ลมอยู่ที่จิตนะจริงก็มานั่งพิจารณาดูก็ออก็ก็ก็ใช่เพราะว่า จริงๆ่าไอ้ทุกอย่างมันมารวมที่ตรงนี้แล้วก็ที่เราไปวุ่นวายเราก็ตึงเข้ามาอ่านี่ก็เลยสงสัยนิดหนึงครับว่าบางทีพอเราพอเราปฏิบัติมันก็ดีครับแต่ว่ามันก็เหมือนกันเราก็ไม่ค่อยอยากไปทําอะไรให้มันวุ่นวายใจหน่อยเยอะก็เลยว่าเอ้ะหรือว่าเราขี้เกียจไปหรือเปล่าครับเพราะว่าทางโลกบางทีมันก็เขาอาจจะอยากทำนู่นทํานี่ให้ให้มันเยอะขึ้นแต่เราก็มามองเราเอ๊มันทําไปมันก็เป็นอะไรที่จ้างอาณาจัมันก็เปลี่ยนไปก็เลยเลิกไปมัน เลยไม่รู้จะวางใจยังไงดีครับว่าเ อ, เอ็ดตรงนี้มันเป็นเพราะเราเกลียดไม่อยากทําหรือว่าเพราะเราอยากจะทําให้เราอยู่ในความสงบเราก็ไม่อยากออกไปวุ่นวายครับทางโลกเราไม่อยากจะทําำถูกว่าทำไปทำมาครับท<ำ>ําแล้วก็ศูนย์หมดับใ เ, เวลาตายก็สูนญหมดมทำทํางโลกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําเท่าที่จะเป็นก็เอาจะได้เวลามาทําทําทำทยังไง มันก็ถูกถูกแล้วใช่ไหมครับก็คือทำให้ให้ใจเป็นถ้าเราขีเกือนทั้งโลกนั้นการขีดเกลื่อทั้งโลกต้องมักระยันทํำทำต้องเขียนต้องครับนะนอกจากว่าถ้าทำทำถ้าทํำทำทำทำทำเสร็จแล้วก็ขีดเกีื่อนได้ไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่ากินกันนอนนั้นให้ถ้าทํำทำเสร็จงานแล้วก็ไม่มีอะไรต้องทํานะบุษิตามรมัญจรรย์ทำงานของงานของพรหมจารย์นี้ได้สิ้นสุดแล้วไม่มีกิจที่ต้องทําอีกต่อไป ครับอ่านานยาวอืมแต่แต่ไม่ได้ขี้เกียจเพราไม่มีงานจะให้ทําพิจารณาด้วยปัญญาแล้วทุกอย่างเป็นทุกทำไปทำไมอย่างนจ้างเหมือนจะมันก็ทําแล้วก็เสื่มก็บนทําไปไม่รู้อ่าอ่าแต่ถ้าทําำก็ทำเพราะความจำเป็นอย่างต้องไปบินกระบะจินข้าวเนี่ยต้องครับาอานี้ครับอ่าอย่างก็ทำเท่าที่จําเป็นนั้นครับที่ไม่จําเป็นก็ไม่ทําอ่าครับอ่า นั้นในอนที่มันก็ไม่ได้ขี้เขียดใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะให้นะใจเราสงบบงทีเราก็ก็ทําเท่าที่ตอนนี้ถ้ายังมีพระละก็ทำเท่าที่ทําไปไทำเท่าที่แล้วก็แล้ว<ไ>ก็ถ้าต้องถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็ทําไปแต่ว่าก็พยายามลดให้มันน้อยที่สุดแล้วก็ทําสร้างความสงบของใจให้มันอยู่ให้มากที่สุดทําให้ใจสงบให้ใจจะได้อยา่ทำทำงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมครับครับ เข้าใจละครับทีตอนแรกไปมองแบบทางโลกไว้ได้เขาจะว่าเราเช้าชามเย็นชามล้วนไม่ ไ, มได้ทำงานมันก็เยอะอยู่แล้แต่ว่าเราก็ทําเรากเขากข็ต้องมองว่าเราเี่ยงเกียร์ถ้าเราไม่ทําเขาก็ว่าเราไม่เกียร์าายครับบ า, างทีรู้สึกมันก็ทําไปแล้วมันก็แต่เราก็ทํานะครับแต่ว่ารู้สึกเก็เราก็ทําแบบใจระวังว่าก็ทําเต็มที่แล้วก็ปล่อยอนะเพราะว่าแต่จริงทําไปก็จะเอ๊เหมือนก็บ่นอยู่เนี่ยแล้วก็มันก็ไม่มีสติ จะได้ไม่ทำมากเกินไปบางทีทำมากเกินไปครับผมอ่าได้ครับได้ครับทำให้พอดีกับเวลาและกวามแงของเราของเขาครับนะครับนะคันไปโอเคนะขอบพระคุณครับอาจารับคุณกัลยาเชิญอยู่ที่ไหนเอ่ยคุณกัลยากัลยาจอมทองอยู่ฝรั่งเศสครับอาจารย์ฝรั่งเศสนานๆเข้ามาทีนะ ค่ะถ้าว่าไหนเวลาว่างตรงกับที่เป็นไลฟ์ก็เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วมาฟังเพื่อนๆสนทนาธรรมค่ะไม่งั้นหนูก็ฟังตามเอาฟังเอาค่ะอมีอะไรไหมไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มาฟังค่ะอยู่ทางไหนของฝรั่งเศสอยู่อยู่ที่สตาร์บัค่ะสตารบัค่ะไปทางไหนเนี่ทางเหนือทางเออไปทางตะวันออกเสียงเหนือติดติดกับเยอรมันค่ะ ค่ะดีไม่มีอะไรเข้าไปที่ท่านต่อไปเลยนะค่ะกอดพระอาจารย์คุณหมอสุทธาเสนยังนอนได้ยินไหมนิมมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำอ่าโอเคยังปฏิบัติดีปฏิบัติช่องอยู่นะปฏิบัติเจ้าค่ะปฏิบัติทุกวันสื่ปฏิบันโนะนะ จะข า, าดท่านอาจารย์ <Okay. S 2> ค่ะอืมค่ะหากคนเกิดบ้านเด็นนกจะยาาาิม่คนหลับนอนรักษาการครับอาจารย์อืมหาหน้าไปเหมือนกันไม่ได้มาอ๋อบางทีก็เข้ามาไม่ทันครับก็ฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์หรือบางทีเข้ามาแล้วหลุดก็เลยแบบก็เลยฟังจากรอบนอกครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหม อ๋อก็มีครับก็ยังฟังพระอาจารย์อยู่ครับแล้วก็ปฏิวัติตามผ่าจาอ์อยูอ่ครับอาจารย์ครับยังยังแบบยังไปรับใชห้หลวงพ่อหลวงกดอยู่นะอ่าวันนี้ก็ไปมาครับแต่พอดีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปติดงานติดทุระก็เลยไม่ได้ไปช่วยท่านครับอืมแล้วก็<ต>เส<ร>ารอาทิตก็เจอฝุ่นด้วยมันก็เลยแบบมไม่สบายด้วยครับอาจารย์อาจารยังรับในมตนไปรับบนบานอยู่ ใช่ใช่ครับก็ยังไปเมื่อวันอาทิตย์ท่านก็มีนิ ม, มนต์ไปที่เขา ว, วางเพชรบุรีครับพระอาจารย์ตอนห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งครับนั่นก็เก่งนะไปทั่วทุกทิศเลยนะโอ้ขาวันนี้ขาท่านบวมมากเลยครับเหมือนขาสร้างขวาที่ท่านเคยอุบัติเหตุครับเหมือนเลือดลงไปแล้วขึ้นมาไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ได้ไปช่วยท่านนวดให้ท่านดีขึ้นครับท่านก็บอกว่าดีขึ้นครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ท่านก็จะไป กับเ อ, อท่านจะไปบิณฑบาตไปรับปัจจัยเออ่ไปเจอญาติโยมที่พัทยาครับพระอาจารย์พัทยานี่นใช่ครับวันเสาร์นี้ครับพระอาจารย์ไปตั้งแต่เช้าถึงเย็นครับเห็นว่าจะไปแถวแถวตลาดตรงแถวแถวบ้านอำเภอด้วยนะครับอมาถึงบ้านอำเภอใช่ครับมีบ้านเภอ<ม>แล้วก็มีบิ๊กครีด้วยครับพระอาจารย์มมผมว่าจะตามไปช่วงบ่ายอะเถ้าจ ะ, ะทันว่าจะไปแวะไป ฟังธรรมะข้างปุตรีด้วยครับได้ครับแลที่ที่พระอาจารย์นี่ฝุ่นเยอะไหมครับค่าฝุ่นไม่หรอกก็อากาศทางนี้ดีอากาศร<อ>ถือว่าใช้ได้สี่สิบกว่าห้าสิบไดนเลอ๋อที่นี่เพิ่งจะมาลดดีช่วงสองสามวันนี้ครับแต่ร้อนมากครับพรอาจารย์อันนี้มันมีป่าเะมีต้นไม้อะ๋อดีจังเลยครับที่กรุงเทพ <laughs> ที่กรุงเทพเนี่ยคือแบบผมผมก็แพ้ฝุ่นครับเพราะฉับตาฉับแล้วก็เจ็บคอครับมันเป็นตาค่อนเกลียดนะมันเป็นคล่ค่อนขวัค่อนโยนทั้งหลาครับหรืออย่างทีม้พวกเออาจารย์ภูมิที่ไปเชียงใหม่มาเขาก็บอกว่าที่นู่นก็ฝุ่นเยอะครับที่เชียงใหม่ครับอพอดีว่าเขาท่านเขาขึ้นไปแล้วก็ไปทําบุญกับพระหลวงปู่บัวเกตขึน้นมาครับแต่ฝุ่นเยอะครับครับขอท่านใส่หมากใส่แหวนครับ อ okay. ันนี้คุณจิ๊บตอบจิ๊แบในเวลานั่งกี้คุณสลิงทอนตอนนี้คุณ จ, นนจิ๊บแล้วาาลดีนะคะอาจารย์ะอาจารย์สบดีนะคะอ่าสบายดีจา้าโอ้ยช่วงยมยุ่งมากเลยค่ะเป็นช่วงภาษีโอ้เอกสารเต็มไปหมดเลยคะก็ไม่มีคําถามก็ก็ช่วงนี้ก็รู้สึกเหมือนกับพอะตั้งแต่คุณแม่ไม่สบายอะคะ่ะยมก็เลยมองว่าโอ้ เวลาเราเหลือไม่มากแล้วเพราะคุณแม่73ใช่ไหมคะยมก็มองถ้ายมอายุ70อ๋อแล้วเราจะเป็นแบบปวดหัวไม่มีสติแบบปฏิบัติไม่ได้เราคงเราจะเป็นยังไงเนออะไรอย่างเงี้ยยมก็เลยบอกเออเอาเอ า, เอาคุณแม่ทุกของเขาเรียกอะไรคะความเจ็บป่วยของคุณแม่มามาเป็นสิ่งเรียนรู้อะค่ะเราคนอื่นไนดะ้ก็ย้อนกลับมาที่ตัวเรา ใช่ค่ะว่าโอ้ยเราเหลือเหลาไม่มากแล้วบางทีตอนนี้ก็คือแบบตื่นมานั่งบนที่นอกแบบนั่งได้ห้านาทียงมก็นั่งเอานั่งได้เท่าไหร่ก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์นีแล้วเหล่ะม่น้องล่ามค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ ไม่มีคำถามแต่ก็พยายามหาคำตอบด้วยตัวเองเห็นพระอาจารย์แซวน้องคนเมื่อกี้อย่างนี้ครับอาจารย์ยมจะปฏิบัติให้เต็มคาราเบลแบบพระอาจารย์บอกค่ะรักษาสุขภาพท่านอาจารย์มีทักษะแข็งแรงนะคะคุณชายอนิจคุณหน่อยเจ้าวธรรมชาติการเจ้าค่ะ ไปยังไงมีอะไรไหมอ่าที่จริงไม่มีเจ้าค่ะไม่มีมาพลาเฉยๆวันนี้มาทักทายเจ้าค่ะยังยังถือสินแปดอยู่เป่าสิลเจ็ดจุดห้าได้ไหมเจ้าค่ะเดนะ้โอเค <laughs> ไปไปไปติดอยู่ตรงไหนนะไปหายติ ด, ดติดต้องดูซีรีส์อ่ะเจ้าค่ ะ, ะดูซีรีส์ <laughs> ถ้าดูซีรีส์มันก็ไม่ไดนั่งสมาธิใช่ไหมพระสานไม่หลับไม่นอนด้วยเจ้าค่ะโอ้โหตึบทนมาก ม, มันดูแล้วมันติดนะมันอยากจะรู้ต่อเป็นยังไงนะตอนต่อไปตุ๊ค่ะที่จริงไปแวะดูตอนจบแล้วนะเจ้ะค่ะแล้วก็ต้มาดูกลับมาดูอีกเพราะว่าไม่เข้าใจก็ยังทําเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นพเพราะว่ายึดติดในหน้าตาหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจตุ๊กค่ะเพราะว่า อดข้าวถือศีลเพราะว่าอยากอยากพผอมอยากสวยก <c oughs> <c oughs> ็มันดูอาการ c า a p t e r สองอยู่เรื่อยอยู่นานตอนมี่มากเจ้าค่ะจดไว้ตำตำน้องที่น้องหล่องอะคะ่ะตอนเข้ามาแรกๆก็จดตำน้องที่น้องคล่องเลยจาาล้าค่ะแต่ก็วาดภาพของอาการท h a p t e r สองถ้าอาจารย์แบบว่าขัดแย้งกันมากเลยนะคะความคิดเร็วมากเลยแบบ อันหนึ่งก็ข้าห่อศพต้องสวยแล้วแบบอะยอมเราต้องสวยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบยอมยอมตายได้แต่ต้องไม่ยอมแก่นะเนี่ยหนังเหี่ยวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยประสานตีกันโอ้ปวดหัวก็คิดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็ยอมรับความจริง จะค่ะต้องสอนใจว่าให้คิดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะว่าสักวันต้องตายต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนแม่เราญาติเรายายเราเขาเมื <c oughs> ่อก่อก็เหมือนเราเก็ไม่ยอมแก่เหมือนเราเนี่ยคุณจานหน่อ ย, ยังคิดอยู่เล้วว่าหน่อยจะไปเกาหลีไปทํไทไไทาไปทําอะไรอ่ะไปทํหนาอ่ะใช่ค่ะนอนเกิดไปทำผิดแล้วยุ่งนลยนะถ้า <c oughs> จะได้ยังดังใจที่อาจจะบุดเดี่ยว ยังคิดอยู่เลยว่าอืสักวันก็ต้องตายแต่ก็ยังยอมรับตัวเองไม่ได้ยังยอมรับแบบผิวหนังหน้าตาไม่ได้ต้องโอ๊ยระสาอย์ก็อดทนได้แค่วันถือศีลเจ้าค่ะก็วันนอกนั้นก็โอ้โหอย่างที่บอกเต็มคะราเบลก็คือว่าจัดเต็ ม, มแต่ก็ไม่ค่อยกินค่ะว่าอาจารย์ศีลศีลข้อที่ไม่ค่อยกินน่ะทําได้ได้ทำเท่าที่เราทําได้ไปก่อนแล้วนั้น ก็พยายามสอนใจอย่างที่พระอาจารย์บอกจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรแล้วจ้าค่ะ <Okay. S 2> เข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยจ้าค่ะนอาสาธุดที่คุณชะเนนต่อชะเนนอยู่ที่ไหนชลบุรีใช่อยู่ที่วัดคลุงทานีครับพระอาจารย์ย okay. ครับมาอย่างไงมีอะไรไหมก็ไม่ได้เข้ามานานครับก็เลยเข้ามากราบพระอาจารย์ครับ <laughs> เหมือนไกลบ้างครับโอเค ครับเดี๋ยวจะปฏิบัติให้มากกว่าเดิมครับให้ก้าวหน้าครับได้ปฏิบัติให้มากๆายิยงมากยินดีครับาอาจารย์อที่คุณ น, นิ้งดอคุณนิ้งไลฟ์สไตล์เป็นอาจารย์สอนไลฟ์สไตล์ครับอาจารย์ครับพระอาจารย์การักกรพระอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะชัดเจนจ้ะค่ะ ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพระอาจาวุโสได้ทํางานเจอผู้คนนะคะพอได้ฟังห้องเขาโอ้อยากจะอยู่คนเดียวตัวเองบางทีก็ได้อยู่คนเดียวบางทีก็ได้เจอ<ม>เจอผู้คนเพราะว่างานนั้นเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรคร่ะพยายา ม, มแบบว่ากระทบแต่ไม่กระเทือน<ม>พยายามฝึกอยู่ตรงนี้มากๆเพราะว่ามันอยู่กับกิเลส น, นะคะพระอาจารย์อืม รักโลภโกรธหลงเยอะมากเลยแม้กระทั่งตัวเองค่ะพระอาจารย์ก็พ ย, ยายามที่จะฝึกแล้วก็ให้มีสติอยู่ทุกเมื่อแหละคะพระอาจารย์แต่มันก็ยังกระเพื่อมอยู่ขึ้นๆลงๆนั่นก็หมายความว่าเราเรายังมีคือกิเลสอยู่ใช่ไหมครับพระอ า, าจารย์มันที่กิเลสมาก้งคิดถึงกวามตายแทนบ้างอย่าว่าายยา ว, ายาวาแต่พุโทโธอย่างเดียว ถ้ากิเลสมันเยอะมันได้ก็คิดถึงความตายมน่ค่ะห น, นูก็้นูเหมือนกันครับพระอาจารย์แต่บางิดมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราได้โดนโน่นนี่นั่นทั้งข้างในบ้านนอกบ้านบ้าง น, านะคะพระอาจารย์มันก็เลยพาายายามที่จะมองแล้วก็ให้ว่างๆบ้าง น, นะคะ เ, เข้าใจว่า เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรประมาณนี้นะคะพระอาจารย์ อีกห้าสิบปีก็ไม่มีใครอยู่แล้วครัที่ที่เราอยู่เรื่องกันนี้ห้าสิบปีก็ไม่บายกันมป็นคนตายค่ะรวบางทีหนูก็ไปทํางานอ้าะก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันแย่งกันไปเพื่ออะไรนี่ไม่ก็ทั่งตัวเอง<ม>อะไรประมาณนี้คะ่ะพระอาจารย์อ่าตอนดื่มตายเนื่องพถึงความตายค่ะแล้วก็พอนั่งไปนั่งมาอ่ะเราก็เห็นหลายคนอ่ะทุกคนในนี้ก็ต้องไปกันหมดอะไรประมาณนี้คะ่ะพระอาจารย์อ่นั่นนะคิดอย่างนั้นนะถูกแล้วก็เลย เคยเห็นว่าบ้ากันนั้นหรือบ้ากันไปทําไมแย่งกันไปทําไมแย่งกันไปทําไมแต่ว่าก็ต้องเราก็ยังว่าเอาก็ยังว่ต้องมาตั้งทำอยู่นะเนี่ยอะไรประมาณนี้มันเป็นเพราะอะไรอ๋อก็ถ้าทําเพื่อเลี้ยงปาเลี้ยงท้องก็ทําไปมันจะเป็นทําเพื่อให้ร่าให้รวยให้เอาไปซื้อของมันต่างๆมันอย่าไปทําำหนูก็คิดว่ามันก็มีเป้าหมายครับพระอาจารย์พอไปถึง<ม>หนึ่งก็คือ จะไม่อะไรแล้วอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราก็ต้องทําเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ต้องได้ดูแลคนอื่นด้วยอะค่ะพระอาจารย์ก็ต้องคอันนี้นเราทําไปเดียังเป็นกรรมของเราอยู่ยังเป็นทาละของเราอยู่รู้สึกว่ากรรมจะเยอเหลอเกิพระอาจารย์จริงๆคบอาจารย์แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็ต้องยอมรับค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่นาก็ต้องจากโลกนี้ไปละก็้องพยายามคิดถึงจุดนี้แต่ก็ทําให้ดีที่สุดค่ะ มันคือหน้าที่หนูก็คิดแค่นี้นะคะพระอาจารย์ค่ะก็หมายความว่าอันนี้คือก็คือเหมือนตัวเองก็ฝึกระดับใจระดับจิตของตัวเองขึ้นมานิดนึงก็มันจะมองดูว่าเรามีความว่างมีอะไรที่มันแบบว่าเออเราไม่ต้องมาเก็บอะไรมากไหมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เริ่มที่จะเบาขึ้นเยอะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาเยอะก็ตามค่ะพระอาจารย์อืมอืม อย่าไปทุกข์กับมันปัญหาแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยแบบนี้มันก็หายไปเองค่ะพระอาจารย์ก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูก็สนิทพอพอค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็คิดถูกอยู่แล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์ถูกแล้วอะไรก็ได้ที่ทําแล้วให้ใจเราไม่ทุกข์ก็แล้วกันถ้าทุกข์ก็แสดงว่าผิดแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าเราไปทุกข์เราอยากมากพอยิ่งทุกข์ก่อนมานั่งมองเอ๊ะ มันมันไม่ใช่ละท้าทําให้เราเป็นทุกข์มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์อช่ถูกต้องอย่าไปทุกข์กับอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากครับพยายามฝึกต่อไปแล้วก็สวดมนต์ภาวนาต่อไปครับพระอาจารย์ก็ต่อไปค่ะเป็นสมาธิไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าทุกอาทิตย์ก็ต้องไปฟังอ่าที่วัดนะคะกับพระอาจารย์ให้ได้ทุกทุกอาทิตย์นะคะจนกระทั่งเป็นปีก็คือ จะทาพยายามทาให้ได้อย่างสม่าเสมอถเวลาท่ต้องไปขอพระอาจารย์ <Okay. S 2> คโอเคสาทุกรจอจอยมิจอยก็มาใส่บาตรทุกประเทศเหมือนกันใส่บาตรถือว่าพระอันนี้เพิ่มพาแม่ไปใสบ่บาตรวัดทิศด้วยค่ะอเดยแม่อยากใสบาตรกับพระอาจารย์อ่า ง, าางเลกจกังหวที่เราเดินนะชคใหเราเดินนะ นูหนูหนูม่หนูรู้ลค่ะไม่หัวกระ้ายของที่่อกระถายด้วยโครงการก็ได้แถวร้านปิชาก็ได้คนคนเขาชอบถามว่าทาไมว่าใส่บาตไกลจังแถวบ้านก็มีทำไมไม่ใส่ต่แม่แม่แม่อยากใส่กับพระจัไม่ไม่ใส่กเหมือนไกินข้าวทำไมต้องขาว่าไปไกลวยกันไปกินข้าวแใกล้ใกล้บ้านก็มีร้านอาหารเยอะแยะข้าวอร่อยไกลอร่อยค่ะ ก็อมีบ้างแต่ว่าหนูก็พยายามปรับปุงตัวอยู่ค่ะแล้วก็ไปนั่งสมาธิเอิรที่วัดเวลาไปรับทูปก็ไปนั่งสมาธิตลอดถ้ามียิบโอกาสไปนอมีฟลกไปเรื่อยๆสมาธินี่เป็นที่พึ่งทางใจนะอย่างดีทสุดเลยถ้าถ้าเรามีสมาธิดีแล้วเราจะไม่หุดง่ายจิตจะไม่หุดง่ายใช่ไหมคะใช่ไม่โกรธง่ายไม่เสียใจง่ายแสดงว่าแบบเพราะเรายังมีทางโลกกระทบอยู่เราถึงบางทีเราเริ่มหลุดไปใช่ไหมแม่ขา อางทีเราเราลืมไปเราเรสติไปคิดมาก<ช>ไปอยากมา ก, กไปมันก็เลยทุ่มหคายค่ะมันต้องค่อยๆไปใช่ไหมคะเพราะเราย<ม>ังอยู่ในสถา น, นพะพยายามตัดตัดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปค่ะเอ่อความจริงก็อยากจะไปถือศีลแต่ว่าเอาเอาเอ า, เอาลูกไปไม่ได้ใช่ไหมคะมัมมนเดินไปเกินไปเดี๋ยวมันไปรบกควรมันมัล้าท่าอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเป็นร็อกควรขนาดไหนคะ พอดีปิดเทอมก็นึงอยากไปแต่ว่าเดี๋ยวรออีกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรทำที่บ้านไปก่อนไม่ได้วันนี้มีเท่านี้ค่ <Okay. S 2> ะเดี๋ยวไป <Okay. S 2> ไปใส่บาตบพเหมือนเดิมโ okay, อเคสาธุครที่คุณปอนอครปอนมี ค, นคำถามทางเฟซบุ o กไหมับหลวงพ่อครับ ม, มีสามคำถามครับมาเลยคำถามแรกจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ จากคุณวิบูลสุขเราคือจิตใช่ไหมครับคือจิตคือเราแต่เราไม่ใช่จิตเราไม่มีจิตเป็นคนสร้างเราขึ้นมาด้วยความหนุของจิตเองเป็นเหมือนเขียนนิยายแต่งนิยายเรานี่เป็นตัวนิยายตัวจริงไม่มีอธิบายไม่พูดอย่างนี้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวจริงเป็นตัวนิยายที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาครับ ตอนเราทัศนาที่จิตสงบปั๊บไอตัวเรามันก็จะหายไปอ่มันก็จะแสดงว่าตัวเรานี่เกิดมาจากการจินตนา ก, การการปรุงแต่งของจิตคำ ถ, ถามที่สองจากคุณวาสนาผมเคยได้อ่านคติธรรมคำว่าคนดีกับคนชั่วเมื่อเข้าป่ายุงกัดมากน้อยไม่ได้ต่างกันครับ เป็นเหตุของโลกกระทำแปดขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้ทางด้วยครับอ๋อยุงไม่รู้รอคนไหนคนดีคนชื่วมันมันมันรู้ว่าเลือดหวานหรือไม่หวานนะเนี่ยนั้นเลือคนดีเลือคนชื่วมันก็หวานเหมือนกันถ้าเราอยู่ยุงมันไม่สามารถแยกแยะคนจากทางร่างกายได้คนดีชื่อไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจคนที่คนดีก็เป็นคนที่ไม่เบียดเบียนผู้ ไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทำแต่คุณทําแต่ประโยชน์ให้กับผู้อื่นเขาเรียกเป็นคนดีคนไม่ดีก็เป็นคนกลับตรงกันข้ามเป็นคนที่ไปเบียดเบียนไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่เคยทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี่แหละคือวิธีวัดคนดีคนชั่วเป็นอย่างไงคําถามที่สามจากดร V วีชานน์ครับจากคุณแอน เกษียณแล้วมีเวลามากควรแบ่งเวลาไปทํางานจิตอาสาบ้างหรือเอาเวลาทั้งหมดปฏิบัติสมาธิภาวนาเพียงอย่างเดียวครับถ้าทําสมาธิได้ก็ทําสมาธิอย่างเดียวนะดีกว่าถ้าทําไม่ได้ก็แบ่งเวลาไปทําทางจิตอาสาบ้างก็ได้น้าแต่กําลังมขอเราการปฏิบัติธรรมนี่มันได้ผลประโยชน์มากกว่าการไปทํางานจิตอาสามันเป็นทำขั้นระดับกัน กิตติศารเป็นระดับทานส่วนการไปปฏิบัตินี่เมันระดับศีล ส, ส, สมาธิปัญญาวันนล้วเลยมีอีกคำถามหนึ่งครับหลวงพ่ อ, พอคำถามจากคุณพันธิว่าเมื่อได้ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วเข้าใจหรือได้พบพระพุทธศาสนาและพยายามหาทางเร่งปฏิบัติธรรมเพราะกลัวจะตายก่อนแล้วจะเสียชาติเกิดแบบนี้ถือว่าผม ไม่ประมาทใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ได้ทำก็ยังถือว่าประมาทอยู่คือ <c oughs> แต่คิดแต่ไม่ทำนี่ก็เพียแต่ได้ครึ่งเดียวประมาทไม่ประมาทครึ่งเดียวถ้าจะไม่ประมาทเต็มร้อยก็ต้องไปทำด้วยบางคนชอบคิดว่าจะไปทำจะไปทำแต่ไม่เคยไปทำสักทีอันนี้บางทีกิเลสกันหลอกเราได้นะต้องระวังนะคิดแล้วต้องทำให้ได้นะต้องรีบทำไม่ใช่เพียงแ ต, แต่ความคิดอย่างเดียว หมดแล้แลใช่ไหมจะได้ไปทีค่คุณแอปต่ อ, อแอปเพิ่เข้ามาคำลูกสาวมีอะไรไหมไม่มีครับเข้าฟังอยู่ด้านนอกครับแต่พอดี เ, ออเห็นว่าเวลาเหลือก็เลยเข้ามากาารบาบอาจารย์ครับโอเคสาธุเดินไปที่คุณรันต่อคุณรันอยู่ที่ไหนคุณรันเนี่ยกราบนมัสการครับพอาจารย์ครับอ่าอยู่ อยู่กรุงเทพครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหมอ่าจะถามเรื่องเรื่องปฏิบัติได้ไหมครับได <Yeah. Okay. S 2> ้อาารอ่อรู้สึกว่าคือตอนนี้อ่าปฏิบัติตอนก็คืออยู่ระหว่างวันก็อยู่กับรู้สึกตัวทุกพร้อมครัอาจารย์แล้วก็เป็นยังไงรู้สึกตัวทุกพร้อมลองเล้าสั่งหน เอ่อก็เอ่อมันก็จะบุบบุ บ, บทั้งตัวครับอาจารย์ไม่ควระคนจะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรจะดีกว่าอืมพออ่าใอ้กรู้ว่ากําลังกินหรือว่าลัง เ, เคี้ยวหรือว่าตักอาหารรู้กําลังทําอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับมันจะได้ ม, มันจะได้มีอะไรยึดถ้ารู้แบบรู้ความทั่วตัวนี้จิตมันยังวิ่งไปวิ่งมาหลอกเราได้อ๋อ ก็คือคอยู่อยู่กับอยู่กับกายอย่างนี้ครับยอยู่กับ ก, ก, กายกับกายอย่เรื่องเดียวแล้วมันมันจะมันจะช่วยให้กําลังสมาธิเยอะขึ้นไหม right ครับอาจารย์ใช่มันจะมันจะทํ า, า, ทาให้จิตเราคิดน้อยลงแล้วนั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายได้เร็วขึ้นได้งานขึ้ น, น อ, อ, อ, อ๋อครับใครที่ดูพระทวตัวนี้มันต้องหลังจากที่ได้สมาธิแล้วค่อยมรรดูแบบนั้นได้อื ถ้าไม่มีสมาธิดูไปมันก็เหีือก็มันก็ไม่สมงบเองมันก็คิดไปมันก็วิ่งไปราบตัวมัครับอพระาจารย์บขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับโอเควนะันหน้ามีใครอยากจะถามอะไรไหมยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะ